งานทาทาไม่ดีได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเวลาจิตเราทำนี่จิตเราก็จะจบจ่อแล้วก็เราก็จะต้องใช้ความคิดสังขารความคิดปุ่นกันอ่านก็ความเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องคิดว่าแอนหน่งเป็นยังไงก็เวหนึ่งก็จะไ ด, ได้ความรู้มันบังทับให้เราได้อ่านสือธรรมะตนนัวในตัว เปิดปกติเรามีหนังสือธรรมะกั น, นเนยอะแยะแต่บางทีเราไมักก็ยหยิยบขึ้นมาอ่านเนี่เราชอบหยิบหนังสือเรืมม่องอื่นขึ้นมาอ่านมากกว่าแต่ถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องต้องทําขึ้นมาหยิบขึ้นมาเราก็จะมันก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะได้ได้ไดอ่านหนังสือธรรมะหรือได้ศึกษาธรรมะก็เป็นตริยญาติธรรมนะเป็นปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะว่า คำสอนทางทางสายของพรพปฏิบัตินี้จะเป็นเป็นคาสอนที่ออกมาจากเชิงปฏิบัติมากกว่ามาจากเชิงทฤษฎีนั้นเวลาอ่านไปนี้ <c oughs> เหมือนมนได้ปฏิบัติได้ความเทศไปสดๆร้อนลแล้ ว, วราถ้าเราพิจารณาแล้วเราเกิดความเข้าใจเราก็จะ คลายความสงสัยไปได้มีความเห็นที่ถูกต้องได้ก็บรรู้ธรรมได้ยนะังไม่แน่เนะ่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เตรียมไว้เจ็ดวันต้องบวชเนี่ยไม่ได้ยินว่าเขาพูดนะก็ว่าถ้าอินว่าเราบรรลุเั็นพระอรหตแล้วต้องบวชภายในเจ็ดวันม่งั้นต้องตาย ความจริงเท่าที่พี่แจดูแล้วมันก็คงไม่เกี่ยวกันไม่มีมันไม่มี ม, ม, ม, ม, มันมีในการที่พระราชบิดาพระพุทธบิดาท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เสร็จวันก่อนเสด็จสวรรคตแต่ตั้งสวรรคตเพราะว่าท่านประชวรตั้งไม่ได้สวรรคตเพราะท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่คนที่ไม่รู้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเปเปเป็น็นนเป็นตัวอย่าง ว่าถ้าเป็นฆราวาสถ้าไม่ได้บวชหลังจากมนุษย์เป็นผ้านานพผาละเจ็ดวันแล้วก็จะต้องตายเท่าที่ทำมาเนี่ยตั้งนานก็ก้ปัญหาอย่างเงินส่วนเรื่องที่พระพุทธศาสนาจะมีอายุยาวถึงห้า0ันปีนี้ก็เป็นพุทธดำรรับคือ ครั้งที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสรูตัดสรูแล้วแล้วทางพระราชบิดาได้อาราธนาให้ท่านได้ไปโปรดยาตโยมในในวังเวลาที่ท่านเสด็จไปถึงพระพระโคจะมีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาที่อยากจะสวายผ้ารตรให้แก่พระพุทธเจ้า ที่ทรงตับเบดเย็บด้วยพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ก็ไม่ทรงรับทรงบอกว่าให้ถวายเป็นสังฆทานคือให้ถวายเป็นของสงไปคือไม่เจาะจงพระผู้ใดผูห้หนึ่งให้สงเป็นผู้พิจารณาว่าผู้พระรูปใดที่ขาดแคลนหรือเหมาะสงกับผ้าก็ควรจะมอบให้กับพ้ารือนั้นพระพระองค์บอกว่าถ้า ถวายให้กับพระองค์เวลาพระองค์เสื่อไปก็จะอาจจะไม่มีสงฆ์ทั้งทุกคนคอยแต่ทํานุบำรุงแต่พระพุทธองค์เพียงองค์เดียวส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าลูกอื่นก็จะไม่ไม่ดูแลท่านไม่เี้ยงดูท่านอุปถัมภ์ท่านก็จะไม่มีผู้ผู้ที่ระบุญสละของทุกอย่างจะขาดแคลนลงเลย ทรงตัดอย่างนี้อยู่สามครั้งบอกว่าถ้าอยากจะให้พระพุทธศาสนาอยู่ถึงอ้าพันปีก็ขอให้ถวายทานเป็นสังฆทานอย่าถวายเฉพาะเจ้า จ, จงกับบุคคลเพราะว่าบุคคล น, นี้ตายไปได้แต่สงค์นี้ไม่ตายเพราะจะมีผู้ที่มาสืบทอดมาบวชกันตามตามรมปรบบ อย่างที่เราถวายผ้ากรถิ่นนี่ก็ไม่ได้ถวายเจาะจงกรถิ่นนี่ก็เป็นสังฆท า, านเวลาเวลาถวายนี้จะต้องมีพิธีอุปโลกนัคือพระสงฆ์จะต้องปรึกษากันว่าผ้าผืนนี้ที่ได้ามา น, นี้ควรจะให้พระรูปใดโดยธรรเนียมส่วนใหญ่ก็จะให้พระผู้ใหญ่รที่เป็นหัวหน้า ว่าท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในในหนูคณะสงฆ์แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสงฆ์ก็มีสิทธิที่จะไม่มองให้ได้เหมือนกันถ้าเห็นว่าถึงแม่จะเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระหัวหน้าแต่ขาดคุณธรรมอย่างนี้สงฆ์ก็อาจจะพิจารณาให้กับพระที่ลูกอ่อนราษากว่าแต่มีมีคุณธรรม ก็ได้อย่างนี้ก็เป็นการเป็นการดูแลพระศาสนาเกี่ยวกับพระสงค์องค์เจ้าว่าเราจะได้มีพระที่ดีๆอยู่ส่วนพระที่ไม่ ด, ดีจะก็จะได้ไม่ได้มีอยู่ในศาสนา จึงเป็นทั้งเป็นจึงเป็นความเชื่อแล้วเป็นธรรมเนียมที่เรามักจะถวายของเป็นสังฆทานแต่สังฆทานในสมัยปัจจุบันนี้มันเข้าใจผิดกันคิดว่าสังฆทานนี้ต้องเป็นก๊อปปังสีเหลืองๆที่เขาขายตามร้านแล้วถ้าเป็นของเนี่ยเอื่อนี่ที่เราไปซื้อมาเองจับมาเองนี่จะไม่เป็นสังฆทาน คามจริงสมภาร น, นี้เป็นของที่เราถวายให้กับกลุ่มบุคคลคือพระในวัดอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้ถวายให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดแต่ถวายให้เป็นของส่วนกลางเป็นสมบัติของพระทุกรูปที่อยู่ในวัดเช่นที่วัดป่าบรตายถึงแม้ของที่หลวงตารับหลวงตาท่านก็จะไม่ได้เก็บมาไว้เป็นของหลวงตา ท่านจะมีที่ที่พักเองจะจัดเก็บเอาไว้แล้วเวลาใครต้องการอะไรพระลูกใดต้องการอะไรก็สามารถที่จะเก็บมาใช้ได้เช่น mm hmm. ของใช้จำเป็นเช่นยาสีฟันสบูอะไรต่างๆเหล่านีนนะ้ก็จะเป็นของของส่วนกลางไปยกเวินยกเว้นปัจจัยเงินทองที่หลงตาต้องดูแลเอง เพราะว่ามันเป็นเหมือนมีดมีดนี้มันก็มีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้ามีดนี้ก็เปรียบเหมือนเด็กผู้บวชใหม่เป็นเหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่รู้จักการใช้มีดถ้าไปเล่นกับมีดก็อาจจะบาดตัวเองหรือทำลายตัวเองได้พ่อแม่จึงต้องต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องมีดต่าง แม่ให้เด็กหยิบเอาไปใช้เอาไปเล่นกันเงินทองนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระที่บวใหม่ถ้าไม่มีคุณธรรมนี่ก็จะอยู่ภายใต้อํงงานาจของกิเลสตัณหาความโลภความอยากมุตตะแล้อถ้าได้นอนมาก็จะถูกกิเลสหลอกให้ไปใช้ในทางของกิเลสไปหาซื้อของมาบำรุงบำเดกิเลสตัณหา เช่นการตัดานหาเป็นต้นเงินทองของทางวัดจึงจึงไม่ได้วางไว้ให้เป็นของพระใช้กันแต่ถ้าพระรูปใดมีความจาเป็นกรณีใดในกรณีใดก็ตามหลวงตาหรือกรูบาจารย์ที่เป็นหนัวหน้าท่านก็จะพิจารณาดูตามความเหมาะสมถ้าต้องรักษาพยาบาลต้อม่ค่าใช้จา่ายท่านก็จะดูแล ดวยแต่บิดามารดาของพระถ้าถ้าไม่มีใครดูแลไม่มีความมีความจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหนึ่งทองท่านก็จะสงเคราะห์อนกันตามความสมควรแก่กรณีนี้นี่คือนี่คือเรื่องของสังกัฐานไม่ให้เป็นไม่ให้ใครเป็นเจ้าของคนเดียวเพราะไม่เช่นนั้นจะมีความหลู่ น, น้ำต่ำสูง ในระหว่างสงฆ์พระรูปใดเป็นพระที่มีคนศรัทธามากท่านก็จะมีข้าวของมากพระที่ไม่มีผู้ที่ศรัทธาก็จะมีข้าวของน้อยหรืออาจจะอัคิคัตขัดสงแต่ถ้าเป็นของของกลางของสมวนนี้พระทุกลูกก็จะมีใช้เท่าๆกันมีมากก็ได้ใช้มากมีน้อยก็ได้ใช้น้อยตาบ ต า, ตามความจำเป็นเมื่อเป็นอย่างนั้นพ้าสงฆ์ทุกรูกก็จะมีปัจจัยสี่ไว้เก้นหนุนเพื่อที่จะได้สนับสนุนในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปศาสนาจึงมีอ ย, ยุยืนยาวนานาถึง 2,500 ากว่าปี เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถวายของเป็นสังฆทานแต่จะถวายให้แก่บุคบ ค, คลบ้างก็ได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเช่นองค์ใดองค์หนึ่งมีความจำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องใช้ปัจจัยหรือใช้สิ่งของที่ท่านขาดแคลนเราเห็นเราอยู่เราเห็นเราก็จะถวายให้กับท่านไปก็ได้ เป็นกรณีกรณีแต่แต่ถ้าโดยทั่วไปก็ถวายเป็นสังฆทานเช่นวัดป่านี่ส่วนใหญ่เป็นสังฆทานดังนั้นแต่เราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวาย อ, อย่างที่เราจะเห็นกันตามวัดอือ่นๆจะต้องมีพระมานั่งอย่างน้อยสี่รูปแล้วก็มีการกล่าวคำคำถวายสังฆทาน เื่อรับสังฆทานนะพระก็จะต้อง อ, อุปโลกสังฆทานถึงจะเสร็จพิธีิคือพระจะต้อง อ, อุปโลกนี่หมายถึงแจ้งให้พระรูกอื่นได้ทราบว่าได้มีทานเกิดขึ้นในถามการสงแล้วแล้วก็ขออนุ ญ, ญาตเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้กับพระทุกลมโดยให้พระเทยระผู้ใหญ่เป็นผู้พิจารณาก่อน แล้วก็เริ่มไปตามลำดับจนถึงพระบูตสุดท้ายถ้าไม่บุปประโลกเอาไปใช้ก่อนท่านก็จะตลัอบอาบัติเพราะว่าทำผิดกระเบียบหมายควาว่ารับไปแล้วก็มุกมีดเก็บเอาไปใช้เป็นของส่วนตัวอย่างนี้เป็ต้นตแต่ของที่ถวายนี้ไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในกระป๋องไม่ต้องมีกระป๋งสีเหลือง ของนี้อะไรก็ได้ที่ถวายที่ที่เป็นประโยชน์กับพระเช่นเครื่องใช้ไม้สายต่างๆเสืออปัจจัยสี่โดยทั่วไปเราก็เรียกว่าปัจจัยสี่อาหารบินตบายกิวอยารักษาโรคทีู่ีอาศัยก็ได้ถ้าเราร่วมใจกันสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างกุฏิแล้วก็ถวายเป็นสังฆทาน จะไม่ถวายให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดเป็นเจ้าของวัดสร้างเสร็จก็ถวายให้เป็นของสงไปเป็นสังฆทานไปเพะนั้นของส่วนใหญ่ที่เราถวายก็เป็นของส่วนส่วนกลางหรือของสงไปก็มีการเล้ยงูดถึงเรื่องของของศาสนาว่าจะอยู่ ได้ไปถึง 5,000 ปีถ้ามีส่วนนี้เป็นส่วนประกอบแต่ไม่ใช่ส่วนเดียวเพราะจะต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุธรรมถึงจะทำให้ศาสนานีอ้อยู่ไปได้ถ้าขาดการศึกษาขาดการปฏิบัติ าการบรรุษธรรมแล้วศาสนาก็จะต้องหมดไปเพราะจะไม่มีใครที่จะสามารถมาสั่งสอนให้กากผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมให้รู้ได้ว่าเป็นอย่างไรเหมือนกับการเดินทางถ้า มีคนเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วนั้นกลับมาบอกทางคนที่จะเดินทางต่อไปก็จะสามารถดินไปได้แต่ถ้าไม่มีใครเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วมาบอกกันก็จะเป็นการบอกแบบคาดคะเนบอกผิดบอกถูกโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็จะมีน้อย เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยก็ได้ดังนั้นหัวใจสาคัญของการสืบท้าพระพุทธศาสนานี้ก็อยู่หลักที่หลักสามประการนี้คือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวงตราใดท้านมีทำสามประการนี้ก็จะมีพระพุทธศาสนาน เขาจะมีผู้รู้ทางผู้ที่จะคอยสอนคอยคอยบอกให้ผู้ที่ยังไม่รู้ได้รู้และได้ปฏิบัติไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราศึกษาโดยตามลำพังโดยไม่มีใครสอนนี้มันก็อาจจะไปไม่ถึงทางถึงจุดหมายปลายทางหรือถ้าไปถึงก็อาจจะใช้เวลานานมาก เช่นพระพุทธเจ้าไม่มีใครสั่งใครสอนสมายที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาพระอยนี้ไม่มีตริยักษ์ไม่มีปฏิบัติไม่มีปฏิเวก ไ, ไ, ไม่มีพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องคลำทางไปด้วยการทดลองผิดบ้างถูกบ้างแล้วในที่สุดก็ทรงได้แบบรรลุเป็น พระพุทธเจ้าขึ้นมาได้บรรลุถึงพระนิพพานขึ้นมาแต่หลังจากนั้นแนละ้วผู้ที่ต้องการจะไปพระนิพพานนี้จะไปได้อย่างมากแะไปได้อย่างรวดเร็วนั้นมีจมํานวนมากก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงจะตัดสัตว์นี้ไม่มีพระอรหันต์แม้แต่รูปเดียวอยู่ในโลกแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่องตัดสัตวแล้ว ถ้าทรงประกาศถธรรมคำสอนให้แก่สาตว์โลกก็ปรากฏในทูตบรรลุเป็นพระอหรหัรเป็นจำนวนมากอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งสองรรูปภายในเวลาเพียงเจ็เดือนคือพระองค์ทรงประกาศพระธรรมคำสอนในวันเพ็ญเดือน8คือวันต่อนเข้าพรรษาเรียกว่าวันอาสาลาบุญชาเดือนแแล้ว ต่อมาในวันเพ่นเดือนสามซึ่งก็เป็นเจเดือนต่อมาก็มีวันมาพระบูชาปรากฏขึ้นมาคือเป็นวันที่มีพระอาา ร, ริหานหนึ่งันสองร้อห้าสิบรูปได้เข้ามาเป้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยแม่ด้า น, นหมายกันมาก่อนพระหลัง น, นี้นั้นพระมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ เป็นผู้สั่งสอนให้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บรรพชาอุปสมบทให้ท่านเหล่นั้นก็มีความทราบซึ้งในพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความอยากจะเข้ามาเฝ้าอยากจะเข้ามากราบก็เลยได้มาพบกันในวันเพ็ญเดือนสาม ที่เราเรียกวันมาพระ บ, บูชานี่ก็เป็นการยืนยันถึงเรื่องของการที่จะมีาศาสนาหรือไม่มีาศาสนานั้นต้องอยู่ที่มีการศึกษามีการปฏิบัติและมีผู้บรรลุธรรมเพราะผู้บรรลุธรรมนี้จะสามารถสอนได้อย่างถูกต้องแน่นยัง้งถ้าไม่มี ผู้บรรลุธรรมถึงแม้ยังมีคำสอนอยู่แต่ผู้ที่ไม่บรรลุธรรมนีเวลาอ่านคำสอนนจะแปลไปอีกอย่างจะมองไปอีกอย่างจะกับเห็นผิดเป็นชอบไปจะหลงผิดหลงทางมากดงนั้นการการที่เราจะปฏิบัติแล้วอ่านนสืออย่างเดียวนี้จะยากและจะไม่โอกาสที่จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ เกิเลสมักจะหลอกให้เราหลงให้เราเข้าข้างตัวเองเช่นสมัยนี้มีคนเยอะที่คิดว่าตนเองนั้นบรรลุแล้วแต่ยังติดอยู่กับชีวิตของคาราวะคิดว่าการเป็นคาราวะแล้วไม่เบียดบียนผู้อื่นแค่นี้ไม่มีความโลภ ค, ความอยากก็ก็บรรลุแล้วแต่เขาไม่ทราบว่า ชีวิตของคารวะนี้มันอยู่ในรูปแบบหนึ่งซึ่งมันยังมีอีกหลายรูปแบบของชีวิตที่เรายังไม่ได้สัมผัสคือถ้าเราไปอยู่ในรูปแบบของพระที่อยู่ในาอยู่ดูสิว่าใจของเรานั้นยังจะเป็นปกติเหมือนกับที่เราเป็นคารวะหรือไม่คื อ, อยังนิ่งยังสงบยังไม่วุ่นวายยังไม่เดือดร้อนได้หรือไม่ นี่เขาไม่ได้พิสูจน์ดูถ้าเขาน่ถ้าเขาอยากจะรู้เขาต้องควรจะไปพิสูจน์ดูเช่นไปพิสูจน์ดูความกลัวของเขาว่าความกลัวนี้หมดไปหรือ ย, ยังเขาอาจจะคิดว่าความกลัวนี้หมดไปแล้วแต่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นความกลัวให้เกิดขึ้นถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่มันมีภัยรอบด้านดูเช่มนมาอยู่ในป่า อย่างนี้แล้วไปดูซิว่าจะอยู่แล้วจิตใจจะสงบนน่งหรือไม่มีชาวว่าบางคนมาอยู่บนปะบนเท้านี้อยู่ได้ไม่ถึงสองทุ่มก็กลับกันก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์จิตใจของเราในสภาพต่งตางๆในสภาพปกตินี้เราอาจจะไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเราอยู่ในอยู่ท่ามกลางความ อ, าอุดมสมบูรณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างของรูปเสียง้เก่ิดของอาหารของปัจจัยสื่อเราก็อาจจะคิดว่าเราไม่ได้โลภเราไม่ได้อยากเราไม่ได้กลัวอะไรแต่ถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่อัตคัดแหลงแค่สภาพที่มีภัยรอบด้านเราดูซิว่าใจของเรานั้นยังจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่นี่คือ เป็นเรื่องที่ผู้ที่ศึกษาตามนำพังอ่านหนังสือจากป้าตายปิดดกอยู่ในบ้านในเมืองแล้วก็อาจจะได้รักษาศีลบ้างได้นั่งสมาธิบ้างได้พิจารณาบ้างก็คิดว่าตัเองก็ไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายในใจนะิจ้วเพราะนั้นเป็นเพียงเป็นเพียงสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ได้เข้าขั้น ขัข้นชีวิตเกิดเช่นดยามที่เราเจ็บไายได้ป่วยดายางที่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้นะอย่างนี้ใจของเรายัางจะเป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่แต่ถ้าเราปล่อยรอให้มันถึงเวลานั้นแล้วครับพิสูจน์มันอาจจะไม่ถ่างการก็ได้ผู้ที่ไม่ประมาณเขาถึงมากจากพิสูจน์ตั้งแต่ที่เขายังมีเวลาเหลือเยอะอยู่ เช่นมีมีสุขภาพยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่แช่พระทิกสุพระตาทั้งหลายที่ท่านออกบวชกันท่านออกบวชท่านก็ได้ศึกษามามากพอแล้วในสภาพของคารวะอย่าไปคิดว่าเขาบวชแบบไม่มีพื้นฐานถ้าเป็นบวชแาจริงๆนี่เขาเขามีพื้นฐานมาก่อนเขาถึงบวชแต่พวกที่บวชตามประเพณีไม่ใช่พวกนี้เขาไม่ต้องมีพื้นฐาน ว่าเาบวชเพื่อจะสเสร็จเราไม่ได้บวชเพื่อจะมรรลุธรรมเพราะฉะนั้นตอนวันแรกที่ต้องบวชเขาก็เริ่มนับถอยหลังเนชะ่นวันเข้าพรรษานี่เขาก็เริ่มนับแล้ววนะ่าเดี๋ยวก็ถึงวันออกพรรษารับปฏิบัตแล้วก็จะได้ล า, ลาสิกขาไปอย่างนี้ไม่ได้บวชเพื่อปริยัตปฏิบัติปฏิเวศบวชเพื่อธรรมเนียมบวชเพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ตามความเชื่อ แ น, นั้นเองแต่ทู้ที่บวชจริงๆบวชแล้วบวชเพื่อจะศึกษาปฏิบัติและบรรลุเองท่านรู้ว่าตอนที่ท่านศึกษาและปฏิบัติเองนั้นมันไม่พอมันไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรท่า น, นก็เลยคิดว่าต้องออกบวชเพราะเวลาบวชนี้จะมีเวลาที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นและจะได้ อยู่ในสภาพที่บีบคั้นมากขึ้นกว่าเดิมคาร่านี้ถ้าเปียบเป็นกรงก็เป็นเหมือนกรงใหญ่ๆแต่พอเป็นพระนี้ก็กรงมันจะแคบลงไปจะไม่มีที่วิ่งเล่นได้เหมือนกับกรงของคาลาวะคาลาวาปฏิบัติธรรมได้แต่ก็ยังไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้แต่พระนี้พอบวชเป็นพระแล้วจะไปเที่ยวอย่างคารวะนี้ทำไมได้ การเที่ยวนี้ก็ขอให้ทราบถึงว่ามันเป็นเรื่องของกิลเลสเนะี่ยเป็นเรื่องของการมตันหาการมัชฌนะัญท้าคือรูปเสียงกลินรบเราไปเที่ยวเราก็อยากอยากจะไปดูรูปเสียงกกินรบต่างๆที่เราอยากจะดูอยากจะได้ยินอยากจะได้สัมผัสนั่นเองแต่นี่ไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติทางปฏิบัตินี้เราจะต้องตัดการมัชฉันทะ ตัดการมตตาหาเราจะไม่ต้องไม่ต้องการให้เราหาความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราต้องการให้จิตเข้าภายในให้จิตเข้าสัมผัสกับความสงบเข้าสู่สมาธิดังนั้นพระจึไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ตามสถานที่ที่ญาติโยมมีอยู่กันพระมี ต้องอยู่ในสถานที่ที่ยัดยูไม่ชอบอยู่กันเพราะเป็นสถานที่ที่กิเลสไม่ชอบอยู่นั่นเองไม่ชอบไปนั่นเองก็คือตามตามป่าตามเขาตามสถานที่ที่มีภัยต่างๆพอเมื่อเราอยู่ในสถานที่แบบนั้นแล้วเราก็จะได้ค่ากิเลสเช่นความรักตัวกลัวตายนี้ก็เป็นกิเลสแบบนึ่งหรือความชอบในรูปเสียงกลิ่นรส ปุถะพระนี่ก็เป็นกิเลสอีกแบบนเนื้อความอยากมีอยากเป็นเป็นใหญ่เป็นโตมีหน้ามีตาอย่างนี้ก็เป็นกิเลสเราอยู่ในป่าแล้วไม่มีใครรู้จักเราไม่มีไม่มีไม่รู้ว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือเป็นอะไรอะมีแต่ใจเรากับกิเลส ท, ที่จะต่อสู้กันด้วยธรรมะของพระปุจา้านะถ้าเราสามารถนราเอาคํำสอน อาธ ร, รมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราเพื่อที่จะมาทำลายกิเลสได้ใจของเราก็จะสะอาดขึ้นไปตามลำดับความโลภความโกรธความหลง ค, ค, ความอยากต่างๆ <c oughs> ก็จะเบาบางและหายไปในที่สุดได้และตอนนั้นเราก็จะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเราหลุดจริงๆเราบรรลุจริงๆ เรารู้แล้วว่าเราไม่มีอะไรที่จะทําให้เราหวั่นไหวไม่มีอะไรที่จะทําให้เราหวาดกลัวหรือไม่มีอะไรที่จะทาให้เราอยากได้อะไรแล้วใจของเราพอมีความอิ่มมีความพออยู่ที่ไหนเวลาใดก็เป็นเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสุขที่ไม่มีความท้องไม่เหมือนความสุขทางโลกที่ ที่มักจะพร่องไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้เสพมาไม่นานก็จะเกิดความอยากที่จะไปเสพสัมผัสอีกแสดงว่าความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสเมื่อคราวที่แล้วนั้นมันพร่องไปแล้วต้องมาเติมใหม่ถ้าเป็นตุ่มน้ำก็ไปเหมือนตุ่มน้ำที่มีรอยรั่วเติมน้ำก็ไปไม่นานเดียวน้ำมันก็จะซึมออกมาทางรอยรั่ว นานก็ต้องเติมมันขึ้นไปเองมันถึงจะเต็มตัจิตของผู้ที่ไม่ได้รับการชาระคือไม่ได้กําจัดความโลภความอยากต่างๆก็จะเป็นอย่างนั้นต่อให้ได้เศษได้สัมผัสได้อะไรมามากมายเพียงไรก็ตามความอยากได้มันก็จะไม่หมดมันก็จะหมดเพียงชั่วคราวตอนที่ได้มาใหม่ๆตอนนั้นการรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจสบายอกสบายใจ แต่พอทิ้งไปสัประยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะกลับมากระตุ้นจิตใจจิตใ จ, จก็จะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็จะต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเื่อยไม่มีวันที่สุด แต่ถ้าได้ไปศึกษาได้ปฏิบัติจริงๆจนได้บรรลุธรรมจริงๆแล้วพอมันอิ่นแล้วมันจะอิ่มจริงๆเพราะว่าเป็นเหมือนกับได้กระดูดรอยรั่วของตุ่ม น, น้ำเติมน้ำให้มันเต็มหัวเดียวแล้วมันจะไม่พล่องอีกแล้วมันจะเต็มอยู่อย่างนั้นไปตลอดรอยรั่วของใจก็คือกามาตหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหานี่เอง ความอยากทั้งสามประการนี้ความอยากในการความอยากในรูปเสียงกลิ่นระสความอยา ก, ายา ก, ยากและความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามประการนี้ที่จะทําให้ใจนี้รู้สึกว่าบกพร่องต้องการขาดยังขาดเหลือยังขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้่ได้มาแล้วก็ไม่พอสักทีถ้าเป็นทหารได้เป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันธุ์ อยาเป็นนายพันก็อยากจะเป็น น, นายพลก็เป็นข้าราชการก็อยากจะได้ขั้นต่างๆสูงขึ้นไปเรื่องๆถ้าเป็นนักการเงินก็อยากจะได้เป็นสอส อ, อยากจะได้เป็นรัฐมนตรีอยากจะได้เป็นนายกแล้วก็อยากจะกลับมาเป็นใหม่เมื่อครบเาลาแล้วมันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากแบบนี้มั น, ม, นมันเป็นตัวที่ ไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอในจิตใจแต่ความอยากที่ความพอที่เกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาที่พวกเรากำลังบาเพ็ญกันอยู่นี้จะเป็นเป็นการอุดรอยรั่วรอยเล้าของตุงนะ่มน้ำคือใจของเราให้หายรั่วพอหายแล้วทีนี้ก็จะไม่หิวจะไม่อยากร้า พอพอดีใครจะชมก็พอดีใครจะดาก็พอดีใครจะให้อะไรมาก็พอดีใครจะเอาอะไรไปก็พอดีเพราะสิ่งที่มีในใจนี้ไม่มีใครให้ได้และไม่มีใครเอาจากเราไปได้มีเราเท่านั้นที่เป็นผู้ที่จะทําให้มันเกิดขึ้นคือให้มันเป็นอย่างนี้ได้มีเราเท่านั้น พอเราทำให้ใจของเราอิ่มนะมันก็จะอิ่มอยู่ตลอดดังนั้นถ้าเราอยากที่จะได้ผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันเราก็ต้องบำเพ็ญเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตาม คำสอนโดยสรุปง่ายๆก็3าหัวก้อยใหญ่คือทานศีลและภาวนาที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เราก็ทำทานกันนำกับข้าวกับนำข้าวของแต่มาถวายมาสีี้เราก็สมาทานกันรักษากันไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าศีลมีอะไรบ้างศีลห้าศีเราก็รักษาไปตามตามสถานภาพของเรา ภาวนาเราก็ต้องทำกันเราต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาขั้นต้นก็ให้เจริญสมถะก่อนแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาแต่การที่จะได้สมถะภาวนาก็ต้องมีสติเป็นตัวที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้เพราะจิตนี้จะลอยไปลอยมา เหมือนกับว่าวว่าวนี้ถ้าไม่มีเชือกมันก็จะลอยไปตามสายลมว่าวนี้จะอยู่นิ่งได้ลอยอยู่กับที่ได้นี้จะต้องมีเชือกว่าดึงเอาไว้จิตของเราจะนิ่งเหมือนว่าที่ไม่ลอยไปกับสายลมก็ต้องมีเชือกก็คือสตินี้เองเราจึงต้องดีสติผูกใจของเราผูกจิตของเราไม่ให้ลอยไปตามอารมณ์ต่าง ในใจของเรานี่มีอารมณ์เหมือนกับเหมือนกับลมในท้องฟ้าที่จะฉุดให้จิตของเราทิศเลื่อนไปไปจิตร่างกายเราอยู่ตรงนี้แต่ใจเราอาจจะไปอยู่รอบโลกก็ได้อาจจะไปอยู่ด้านหนึ่งด้านส่วนหนึ่งส่วนใดของโลกของประเทศนี้ก็ได้นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ดีสติดึงใจเอาไว้แต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆดึงใจให้อยู่ กับตัวเราคือร่างกายไม่ให้ลอยไปที่อื่นต่อไปมันก็จะไม่ลอยไปไหนเวลาเราจะใช้ให้จิตทำอะไรมันก็จะอยู่กับงานนั้นเวลาจะทำจิตให้สงบด้วยการบริกรรมพุทธโธก็ดีหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ดีมันก็จะทำงานนั้นอย่างเดียวมันก็จะอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรือจะอยู่กับลมหายใจเข้าออก อันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะใช้วิธีการทำสมาธิหรือสมะถะภาวนานี้มีวิธีหลายรูปหลายร้อยหลายหลายแบบด้วยกันในในในตำรายก็แสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ่เราทั้งมีสติอยู่กับลมหายใจเขาออกท่านก็เรียกว่าท่านก็เรียกว่าอานาปนานสติ ให้ให้จิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวอย่าไปรู้กับเรื่องอื่นถ้าเราจะใช้การบริกรรมพุทธโธอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธานิสติให้นิสติอยู่กับการรำลึกถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปสําหรับบางท่านอาจจะชอบจะใช้ทั้งสองอย่างจะประสมสากนกันก็ได้เช่นเวลาหายใจเข้าแล้วก็บริกรรมพุท หรือโทก็ได้หรือพุโทโธก็ได้หายใจออกก็ว่าพุทโถหรือโถก็ได้หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโถก็ได้แต่บางท่านไม่ชอบก็อาจจะเอาแค่ลมอย่างเดียวหรือเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันขึ่งขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละท่านแต่ละแต่ละคนว่าจะถนัดกับวิธีใด ก็เลือกเอาวิธีนั้นแล้วก็พยายามให้อยู่กับวิธีนั้นอย่าสับไปสับมาในขณะที่กําลังทําถ้าจะเปลี่ยนก็ไว้รอให้ให้ให้ให้ออกจากการทําวิธีนี้ก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนในครา้หน้าคราวนี้เราใช้พุโทโธอย่างเดียวแล้วรู้สึกเราไม่ได้ผลคราวหน้าเราลองเอาพุโทโธกับลมหายใจดูก็ได้แต่ในขณะที่กําลังทําอยู่นี้ให้ให้ทำอยู่กับ วิธีที่เราได้เลือกเอาไว้ในตอนต้นแล้วก็ทำไปจน ก, กว่าเราจะหยุดทำถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในขณะที่ทำจิตมันก็จะหลอกเราเดี๋ยววิธีนี้ก็ไม่ดีวิธีนั้นก็ไม่ดีเดี๋ยวทาไปทำมาก็กลายเป็นนั่งวิาพากวิจารณ์วิธีต่างๆก็เลยไม่ได้ทำภาวนาแต่นั่งนั่งปูงแตงให้ให้เกิดความทุ้ ง, งทั้งๆ ท, ที่คิดว่ากาลังทาสมถะภาวนา แต่ความจริงกําลังทําความคุ่งสร้างภาวนาด้านจึงไม่ได้เกิดผลเท่าไหร่เพราะส่วนหนึ่งก็คือไม่มีสติที่จะเดิงจิตให้อยู่กับงานที่ที่ทํำนั่นเองจิตจะสงบได้ น, นี้จิตจะต้องเป็นหนึ่งเป็นวีอารมณ์เดียวถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะมีหลายอารมณ์มันก็หมุนมันก็จะเป็นเหมือนกับร้อที่มนหมุน หรือนาฬิการูกตุ้มนาฬิกาที่มันกว่งไปแกว่งมาถ้าเราต้องการให้จิตมันนิ่งเราต้องให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นลูกตุ้มนาฬิกาก็ให้มันอยู่ตรงกลางอย่าให้มันแกว่งไปทางซ้ายหรือทางขวาจิตของเราก็ากเช่นเดียวกันถ้าอยากจะให้นิ่งให้งสงบเราก็ต้องให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธก็เป็นอารมณ์หนึ่งลมหายใจเข้าออกก็เป็นอารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์นั้นเพียงอารมณ์เดียว อย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นี่เป็นการทํำสมาธิด้วยด้วยหลักของของสมาธิคือการบริกรรมเรื่องการเจริญสติให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่งแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดมาหยุดความคิดคือความคิดของเราอาจจะ หมุนตี้วฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันให้มันอยู่กับพุโทโธแลืออยู่กับลมมันก็ไม่ยอมอยู่มันจะคิดกับเรื่องนั้นเพราะมันมีความผูกพันเช่นเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมมุรณสขภาพร่างกายของเราว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่ารักษาเราจะหาย ห, หรือไม่ ก็วิตกกังวลแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเข้ามาข่มใจสอนใจว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและก็ต้องตายเป็นธรรมดาเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันก็เป็นเป็นขั้นตอนของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งขอ ง, งร่างกายที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ ส่วมันจะหายหรือไม่หายก็ไม่มีใครรู้แล้วมันหายแล้วมันจะกลับไปเป็นอีกหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่านี้มันจะหายก็ให้มันหายไปมันจะไม่หายมันจะเป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นไปหรือถ้ามันจะเป็นแล้วตายไปก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไปหยุดมันได้ เหมือนกับเราไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ได้ดวงอาทิตย์ น, นี้เขาก็จะต้องเคลื่อนไหวไปตามเรื่องของเขาเร่างกายก็ต้องเคลื่อนไหวไปตามเรื่องของเขาเขาก็ต้องเคลื่อนไปตามความแก่ความเจ็บความตายพอเราพิจารณาได้อย่างรอบคอบและยอมรับความจริงนี้ได้ความฟุง้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องการเิ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็จะหายไปจิตก็จะกลับมา สงบเป็นปกติเราก็จะสามารถทำสมาธิต่อไปได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิ<ม>แบบหนึ่งแต่มันก็มีหลายแบบเช่าานเวลานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาเราก็อย่าไปรบเราก็บอกว่านี่ก็เป็นความเจ็บของร่างกายเป็นปกติก็ปล่อยให้มันเจ็บไปพยายามหาวิธีข่มใจเช่นบริกรรมพุโทโธให้ถี่ขึ้นไม่ให้ไปคิดถึง เรื่องของความเจ็บของร่างกายปล่อยให้มันเจ็บไปไม่ขยับไม่ลกให้จิตมีงานทำให้มีอยู่กับการบริกรรมอย่างนี้ก็จะทำให้จิตสงบตัวได้ปล่อยวางความเจ็บปวดได้หรือถ้าจะใช้ปัญญานมสมาธิก็นาพิจารณาเหมือนกับที่พิจารณาร่างกายเรื่องการเจ็บไข้ได้ปวดว่าการเจ็บนี้ก็เป็นเหมือนกับการเจ็บไข้ได้ปวดเหมือนเวลาเราเป็นไข้มันก็เกิดความเจ็บปวดจาง ส่วนแตกต่างของร่างกายเราก็ไปห้ามห้ามหรือไปสั่งให้มันหายไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปจนกล่ามันจะหายไปเองการนั่งแล้วมันเจ็บปวดเราก็พิจารณาอย่างนั้นว่าเราก็ไปบังคับมันไม่ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มันจะต้องเกิดขึ้นมันจะต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ใจเราไม่ต้องไปเจ็บไปปวดสำมันใจของเราไม่ต้องไปลังเกียจ ไม่ต้องไปอยากให้มันหายเพราะความรังเกียจหรือความอยากให้มันหายมันจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความเจ็บที่เราทนไม่ได้ที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายแต่อยู่ที่ความเจ็บของใจคือความทรมานใจเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรใจของเราจะเป็นไปด้วยใจของเราจะเกิดความกลัวเกิดความ ความอยากจะให้มันหายไปอยากจะหนีจากมันไปไอ้ตัวนี้ต่างหากที่จะทำให้เราทนรับกับสภาพความเจ็บของร่างกายนี้ได้แต่ถ้าเราพิจารณาเราเห็นว่าอ๋อถ้าเรายอมรับความเจ็บของร่างกายแล้วเราก็จะดับความทุกข์ทรมานใจได้พอความทุกข์ทรมานใจดับไปจิตก็สงบตัวลง ความเจ็บของร่างกายบางทีก็หายไปพร้อมๆกับความสงบของร่างกายหรือถ้าไม่หายมันก็จะไม่มารบกวนใจเพราะใจไม่ได้ไปยุ่งกับมันอย่านี่ก็เป็นหลักของที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินี่คือการทําสมถะคือการทําจิตให้สบงบผลที่เราต้องการจากการสงบก็คือต้องสงบนิ่งไม่ออกไปรับรเรื่องราวต่างๆ บางคนหรือบางกรณีนี้เวลาจิตสงบแล้วแต่จะไม่สงบไม่นิ่งอยู่กับที่พอสงบแล้วก็จะออกไปรับเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องภายในไม่ใช่เป็นเรื่องภายนอกไม่ได้เรื่องภายน์ทางตาหูจมูกลิ้นการแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจที่จะเรียกว่าเป็นนิมิตต่างๆจะเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เห็นเทพเห็นอะไรเห็นผีเห็นอะไรต่างๆอยนี้ถ้าเราไปรับรู้จิตของเราก็จะไม่ได้จิตของเราก็จะทำงานมันก็จะถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่เห็นมีความอัศจรรย์ใจต่มันไม่เป็นฐานของปัญญาคือมันไม่ได้สร้างความแข็งแก่งให้กับใจกับจิต เวลาจิตออกจากสมาธิแบบนี้แล้วจะเหมือนกับว่าไม่ได้เข้าไปเข้าไปในสมาธิเพราะว่าอารมณ์ต่างๆนี้จะไม่ได้ถูกกดเอาไว้ไม่เหมือนกับสมาธิที่นิ่งสงบแนละ้วไม่ไปรับรู้อะไรต่างๆอารมณ์ต่างๆคือความรูปความขวัญความหลงนี้จะถูกกดเอาไว้จะถูกเหมือนกับบีบเอาไว้ พอออกจากสมาธิแบบนี้แล้วอารมณ์ที่ถูกกดไว้นะั้นมันก็ยังยังไม่มีกำลังมากพอที่จะออกมาสร้างอาการอารมณ์ต่างๆมานอกวนใจแล้วถึงแม้ออกจากสมาธิแล้วจิตก็ยังมีความเย็นมีความสบซึ่งตอนนั้นแหละเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะเจริญปัญญาต่อไปเพราะการจะเจริญปัญญาได้นีจิตจะต้องเป็นอุเบกขาเป็นการจิต ไม่มีอคติคือไม่มีรักไม่มีชังไม่มีความกลัวไม่ไม่มีควา ม, ลวล ม, ม, วามหลงถ้ามีอคติแล้วจะพิจารณาไม่เห็นตามความจริงเช่นพิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายถ้าจิตไม่มีถ้าจิตมีอคตินี้มันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาไม่กล้าคิดถึงเรื่องความตายเห็นะหพวกเราเนีไม่กล้าคิดถึงเรื่องความตายกัน กลัวที่ว่าคิดแล้วมันจะตายอย่างนี้ความจริงวันไม่ตายหรมันเป็นการสอนจิตแต่ที่เลยคือความกลัวนี่มันมาขวางเราวเราเลยไม่ได้คิดถึงความตายกันไม่ได้สอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้สักวันมันจะต้องตายและใจจะต้องรับผ่านจริงนี้ให้ได้แต่ถ้าออกจากสมาธิที่ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆหในขณะที่อยู่ในสมาธินิ่งอยู่เฉยๆออกมาล้า อคติคือความกลวนนี่ก็จะยังไม่มีกำลังมากพอที่จะมาขวางการพิจารณาทางด้านปัญญาเราพิจารณาอะไรเราก็จะเห็นตามความจริงพิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสไม่เที่ยงก็จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงพิจารณาลาบยุดะรับเสรนสุขว่ามันไม่เที่ยงคือพิจารณาถึงสถานภาพของชีวิตเราที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ว่ามันไม่แน่นอน เรามีทรัพย์สมบัติข้าของเงินทางเรามีอะไรต่างๆในวันนี้ในวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่หมินก็ได้อาจจะมีสงคารามอาจจะมีการปฏิวัติมีการอะไรต่างๆอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียต่างๆเกิดขึ้นมาก็ได้เรื่องเหล่านี้เราจะไม่กล้าคิดกันเพราะเรามีความกลัวแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วออกมาจากสมาธิเราจะกล้าคิดแล้วเราจะกล้าที่จะ พร้อมที่จะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์นั้นพอเราพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์นั้นได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราชีวิตของเราจะตกต่ําจะเจ็บไข้าได้ป่วยจะแก่จะตายเราก็พร้อมที่จะรับมันได้เพราะเรามีปัญญาเรามีสมาธิมีสติเป็นเครื่องมือที่จะควบคุมจิตใจของเราให้รับกับความจริงนี้น พอรับกับความจริงนี้ได้แล้วมันก็จะตัดตัญหาต่างๆได้ความกลัวก็คือวิภาระปัญหานี่เองกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกลัวความสูญเสียกลั ว, วาการพลาดพลาดจากกันฌานะปัญหาก็จะตัดได้จะไม่หิวกับรูปเสียงเกิดรล้วภาวะัญหาก็จะตัดได้จะไม่มีความอยากเป็นน่นอยากจะเป็นนี่เป็นอะไรก็ได้มันก็เหมือนกัน ตานนี้ก็เป็นอยู่แล้วเป็นอะไรก็เป็นไปถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรยอมรับได้กับทุกสภาพเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นี่ก็คือการหลุดพ้นของจิตได้หลุดพ้นอย่างนี้หลุดพ้นด้วยการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการสอบทดสอบสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติ เราก็ต้องไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆและทดสอบอยู่กับในสภาพที่เราสูญเสียทุกอย่าง<ม>เช่นนัก บ, บวชนี้ก็เป็นเหมือนผู้ที่หมดเนื้อป่าดาวตวสิ้นเนื้อป่าดาวตัวผู้ที่บวนี้จะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเวามาบวชมาแต่ตัวเปล่ามาด้วยศรัทธาแล้วก็บวชแล้วก็ได้สมบัติเพียงแปชิ้นไว้เป็นเป็นสมบัติไว้ดูแลรักษาสภาพร่างกายก็คืออัตถะบริขาร เช่นจีวรบากนี้เป็นต้นแล้วก็ไปอยู่ในสภาพที่ร้างแคนสภาพที่ไม่มีอะไรไม่มีโทรนทัศไม่มีวิทยุไม่มีเครื่องอำนวยความสุขต่างๆทางมุสีทางตาหูจมูกร่างกายแล้วดูซิว่าจะอยู่ได้หรือไม่และมีความสุขได้หรือไม่ถ้าอยู่ได้มีความสุข ไ, ได้ก็ถือว่าใช่ได้ แต่ถ้ายังต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำบึงบำเรออยู่ก็แสดงว่ายังมีความอยากอยู่ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะสามารถที่จะสอนให้ผู้อื่นรู้ได้รู้ตามได้แต่ถ้าไม่ได้รู้แบบนี้ก็จะสอนแบบแบบผิดๆตามคาดคณิตคิดว่าคิดว่าคิดว่าบรรลุแล้วคิดว่าไม่มีอะไรแล้ว แต่มันเป็นเพียงความคิดของเองมันไม่ได้เป็นความจริงดังนั้นก็อยากจะให้ท่านเห็นความสำคัญในเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุธรรมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นกับตัวเราเองและกับภาษาเสนาเพราะว่าจะทำให้เราได้บรรลุ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์และจะทำให้เราได้ช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานขึ้นไปอีกก็คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ขอรืุ่ในเช็นเคยกันวันนี้เปลี่ยนที่กันนะคนมาเยอะที่เก่าเลยเดี๋ยวพีเจนจะออกไปอดจะถาม คุยกับคุณแม่ก็จาค่ะเรื่องที่ทรานอาจารย์เทศแต่ว่าจับประเด็นได้คําเดียวคือจิตที่เป็นสมุทัยและจิตที่เป็นมรติทีนี้ไม่เข้าใจว่าคําคํานี้เนี่ยเป็นการบอกเมื่อถึงที่สุดแล้วหรือว่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็ดูได้คือในระหว่างการปฏิบัติเนี่ยเราก็ดูตัวเองได้วยว่าจิตกําลังเป็นสมุทัยหรือจิตกําลังเป็นมร ทีนี้ถ้าเป็นในอย่างหลังเนี่ยจิตที่เป็นสมุทัยเนี่ยดูมือนจะดูง่ายกว่าเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็รับผําตายนี้ได้แต่ตรงจิดเป็นมรคเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีเรานึกว่าจิตตรงนี้เป็นมรคแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันหลอกเราก็เลยจะมากราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเวลาเราดูคําว่าจิตเป็นสมุทยัยหรือจิตเป็นมรคเนี่ยมันคือการพิจารณาอย่างไรเจ้าค่ะ ถ้ามันไม่กลัวแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นมรรคแล้วว่าเป็นวิมุตติแล้วถ้ามันยังไม่ใจมันยังสงสัยยังรังเลยอยู่ยังยังก็ยังเป็นยังไม่เป็นวิมุตติมันก็ยังมีสมุทัยเพราะเรายังอาจจะไม่ได้ไปเข้าทดสอบในห้องสอบจริงๆเรายังไม่ได้เจอการที่เป็นเป็นอะไรก็เ ใกล้เป็นใกล้ตายยเลย้ยเวลาอาจจะต้องจำลองสถานการณ์มันไปอยู่ในปาไปอยู่ในป่ า, ปอปาตอนคืนก็ลองออกไปเดินในป่าดูการเมืองผ่ดูเสว่าใจในวามกลัวหรือไม่ถ้าเดินรู้สึกว่าไม่มีความกลัวแต่ยังเดินใช้ไฟอยู่ก็ลองปิดไฟด ถ้าเดินติดไฟดูยังไม่กลัวก็ลองเดินออกจากทางเดินเดินเข้าไปในในโลกในครบพวกดูดูว่ายังกลัวอหรือเปล่าเมื่อเดินจะหาสิ่งที่เรากลัวเช่เรากลัวซากศพอย่างนี้เราก็ลองไปเดินไปในตาช้าดูดูว่ายังมีความกลัวอยู่หรือเปล่าก็ต้องทดสอบไปดูแสดงว่าถ้าจิตจะเป็นมั่งได้ก็ต่อเมุ่งเป็นมีมุดแรงที่ไม่จะขา ไม่มากมากก่อนวิมุตย์คือมักก็คือการทดสอบการเข้าห้องสอบมักคือการทดสอบการเข้าห้องสอบแล้วถ้าถ้าผ่านก็จะเป็นวิมุตย์หรือถ้าไม่กลัวก็การต้นอาจจะกลัวแต่ก็ก็ไปก้ากล้ากลัวๆก็ไปไปเพื่อให้มันหายกลัวพอหายกลัวแล้วมันก็เป็นวิมุตขึ้นมาก็คือในแต่ละช่วงมันก็จะเป็นไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปแต่ว่า เราจะแน่ใจว่าเป็นมัคได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทดสอบจนแน่ใจแล้วคือคือมัคเนีมันเป็นเครื่องมือไงด้วยสติปัญญาสิส่งสมาธิอ่อศ <c oughs> ิ่สมาธิปัญญาด้วยสติสมาธิและปัญญานี่แหละเป็นตัวมัคถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถควบคุมให้จิตมันนิ่งได้แต่ทีนี้มันจะนิ่งไง แต่าจะนี้ถ้าเราเร า, เรามีอยู่ในสภาพที่ป ก, กติอย่างที่ไม่พุ่งอย่างที่เป็นคารวาอย่างนี้ยเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาได้ในระดับนั้นแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปอยู่อกีอกระดับหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์อีเหตุการณ์หนึ่งอย่างนี้สติสมาธิและปัญญาที่เรามีอยู่นี้มันพอที่จะหยุดสมุกทายได้หรือไม่ก็คือความกลัวเราถึงต้องทดสอบไง คือว่าเราอาจจะปฏิบัติในสภาพนี้แต่อีกในสภาพหนึ่งเราเราจะเป็นเราจะนิ่งเหมือนในสภาพนี้ได้หรือไม่เหมือนอย่างที่เคะยกตัวอย่างหยูเรือเ่อยเหมือนนก ม, นกมกนกูนักมวยที่ชกซ้อมกะสอบทายนกซ้อมกับคู่ซ้อมอย่างนี้แล้วคิดว่าสามารถเอาชนะกับสอบทายเอาชนะคู่ซ้อมได้แต่ยังไม่ได้ขึ้นไปเวทีจริงไม่ได้ไปเจอคู่ต่อสู้ที่แท้จริง ที่จะรู้ว่าจะชนะไม่ชนะก็ต้องขึ้นไปโชคเะาจะรู้ถ้าโชคเรา ช, ชนะก็แสดงว่ามรรคเรามีกำลังพอที่จะเอาชนะสมุทัยได้เราก็จะเป็นแชมป์ได้เป็ น, นมิโมติได้เช่นเรากลัวความเจ็บไายได้ผลฟัวความตายี้แต่ถ้าเรายังไม่ได้เจอเความเจ็บไายได้ผลเจอความตายจริงจรงนี้ เราจำลองจินตนาการไปนี้มันไม่ขอเพราะงั้นเราต้องไปหาเราต้องจำจินตน า, าจำลองจินตนาการไอ้จำลองเหตุการณ์จริงให้มันเกิดขึ้เช่นนั่งนะนั่งแล้วให้มันเจ็บปวดไปแล้วก็อยากไปลุกปล่อยให้จิตของเราปล่อยวางความเจ็บปวดแล้วสงบตัวลงของมันได้ด้วยมรกของเราด้วยด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญา ถ้าอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่กลัวการเจ็บไายได้ปวยเพราะความจัดคไายได้ป่วยอาการของมันก็คือความเจ็บปวดอะไ่านี้ไม่ว่าจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามมันก็เพียงแต่ความเจ็บปวดแล้วเมื่อเรารับกับความเจ็บปวดที่เกิดจากการนั่งนานๆได้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นจากการเจ็บไายได้ป่วยบางทีไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยปวดก็ปล่อยให้ปวดไป อางเรานี้ไม่ได้คุยที่ไม่มียาแก้ปวดอยู่ในกุติแม้แตอน เ, เดียวแต่มันมีอยู่ในใจเราเราไม่ต้องการรักษาร่างกายมันเจ็บก็เจ็บไปแต่เราต้องการรักษาใจนั้นมีธรรมโอสถมียาแก้ปวดอยู่ในใจเรียกคือมัก ม, มียาแก้ความเจ็บไข้กความเจ็บปวดของใจอันนี้สังหาที่เราต้องการสร้างมันขึ้นมาเอายาธรรมโอสถนี้เข้ามาใส่ใจของเรา ถ้ามีธรรมะโ อ, อสวยแล้วก็จะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้เกิงและไม่กลัวความตายถ้าจะาะยากแก้กโกรธนะคะแบบเดียวกันยากแก้กโกรธก็แบบเดียวกันก<อ>็คือมักไม้เหมือนกันอขอรูปธรรมคือยากแก้ไม่ให้ไม่ให้กลัวตายคือเราต้องขันเรื่องของความเจ็บโกรธแล้วถ้าจะฝึกเรื่องไม่ให้โกรธนะฮะก็ให้เขาด่าเรา เขาตอบหน้าเราข้างไหนก็กลุ่นอยู่ยังก็กลุ่นกลุณไม่ได้ถ้าถ้ากุ่นก็แสดงว่ามยังโกรธอยู่มักยังไม่มีกำลังพอแต่ถ้ามองเห็นว่าการด่าก็ดีการถูกเขาทำร้ายก็ดีนี่เป็นสิ่งที่มันไม่อยู่ในอำนาจของเราที่จะเป็นควบคุมบังคับได้เกิดมาในโลกนี้แนละ้วมันก็ต้องเจ็บตัวไม่ช้าก็เร็วจะเจ็บแบบไหนท่านี้งนะครับเจ็บด้วยการเจ็บไายได้ป่วย เจ็บก็ถูกคนนึ่นเขาหักหลังเราเจ็บก็ถูกเขาด่าเรา<ม>เจ็บก็ถูกเขาทำร้ายเรา ม, มันก็ต้องเกิดขึ้นได้เสมอ<ม><ม>วิธีที่ท่านสอนให้ดูแบบงนน่ายๆก็คือให้คิดว่ามันไม่เไลวร้ายไปกว่านี้เช่นเขาด่าเราก็คิดว่าเขายังไม่ตีเราเขาตีเราคือเขายังไม่ฆ่าเราแต่เขาฆ่าเราก็ถือว่ามันก็จบเกิดมามันก็ต้องตายในี่ยทุกคนทั้งเขาและเรา ถ้อย่างนี้มันก็จะนม่งได้มันก็จะไม่โกรธก็ต้องไปเิดทาํางไงลอาไปเกิดดูแต่ต้องให้รู้นะว่าความโกรธนี้มันเกิดมันมันเกิดจากความอยากเช่นเราอยากให้เขาดีกับเราใช่หมเราเ็าไม่ดีกับเราเราก็เกลกยดเขานล้แต่คนอื่นทำไมเราไม่โกรธเขาคนอื่นที่เขาไม่ดีกับเราเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เขาดีกับเรา เราก็ <'d S 2> ไม่โกรธเขาหลายคนที่เราอยากใหเขาดีกับเราเนี่ยเขาไม่ดีกับเราเราโกรธเขาเพราะฉะนั้นความโกรธนัน hearts, มันเกิดจากความอยากถ้าเราตัดความอยากทั้งสามตัวนี้ได้แล้วความโกรธก็จะไม่มีตามแล้วความอยากมันก็เกิดจากความหลงความรูไม่ทันกิเลสไม่รู้ว่าว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราน่าจะอยากเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราอย่างเดียวทุกอย่างในโลกนี้มีความทุกข์ ตามมาด้วยทนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากให้ใครเขาชอบเรานี่ดีกับเราเฉยเฉยเฉยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้จะด่าก็ได้จะชมก็ได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่โกรธถ้าอยากให้เขาดา่าเราถ้าเขาไม่ดา่าเราก็เสียใจยเหมือนกันนะถ้าโกรธได้เหมือนกันนะปู่จ่าเตรียมตัวไว้ให้ด่าก็ไม่ด่า อยู่แล้วอยู่กับ น, น, น้องตาบางทีก็อยากจะให้ท่านด่าแล้วก็กลับไม่ด่า <c oughs> <c oughs> แต่พออยากให้ท่านชมเนี่ยทานไม่ชมแนีวเสียใจไม่อยากให้ท่านด่าเพราะท่านดา่าเราเสียใจกล <c oughs> ัวดังั้นทุกอย่างก็ต้องมาล ง, ง, งตรงนี้ตรงอุเบกขาเนี่ยต้องทำใจให้เป็นกลางให้สักแต่ว่าให้รับรู้เรื่องต่างๆ <c oughs> แล้วก็รู้เฉยๆด่าก็รู้สักแต่ว่าด่าสัก สักแต่ว่าดา่าชมก็สักแต่ว่าชมปล่อยปล่อยให้เขาด่าไปปล่อยให้เขาชมไปใครจะทําอะไรก็ทําไปเราไม่จะ้ไปอยากอะไรกับเขาแล้วเราก็จะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆถ้าเราไม่อยากมีเราไม่อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาเลยปัญหาของพวกเราก็กลับมาที่ตัวสมุทัยสามตัวนี้แนหะที่เราต้องตัดให้ได้ จก่อนจะไปถึงตรงที่เป็นอุเบกขาเนี่ยเอาแค่ว่าคือพอรู้ว่าเขาชมเรารู้แล้วว่าใจเราฟูขึ้นแต่พอเขาไม่ชมใจเราก็แฟ บ, บลงแค่นี้ยังไม่พอคื อ, ค, อคือรู้แล้วว่าเนี่ยกำลังกาลังฟูอยู่ใช่มันต้องแบบมันต้องไม่ฟูแม้แตบบที่วิธีแรกก็คือทาสมาธิให้มากมเวลาเจิตเป็นสมาธิมันจะเฉย แต่มันแต่ทีนี้มันไม่รู้ว่าเฉยพราเฉยเพราะว่ามันจริงหรือเปล่าอ่าถ้ามันเฉยมันก็เฉยจริงถ้ามันถ้าเป็นสมาธิถ้ามันเป็นสมาออกจากสมาธิเราก็จะรู้เวลาเป็นสมาธิอยู่เนี้ยก็จะรู้ว่าใจเฉยใจสงบใจนิ่งใจไม่มีอารมณ์กับอะไรแล้วเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆมันก็จะยังมีความรู้สึกอย่างนั้นค้างค้างอยู่แต่มันจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆถ้าออกมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องต่างๆ ออกมาใหม่ๆอาจจะเฉยใครจะพูดอะไรใครจะทําอะไรก็จะเฉยแต่พอทิ้งไปสั้นๆอย่างมันจะเริ่มไม่เฉยละเพราะว่ากิเลสมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาละมันถูกกําลังของสมาธิที่กดมันไว้มันค่อยๆย่ยางไปมันก็จะเริ่มออกมารับรู้มามีปฏิกิริ ย, ยาแล้วนักปฏิบัติทอรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็จะกลับเข้าเป็นสมาธิใหม่แต่ญาติโยมนี้ทําไม่ได้เพราะญาติโยมปฏิบัติสมาธิน้อยออกมามาก แต่พระนี่เข้าไปข้างในมากออกมาน้อยเวลาที่ไม่ต้องออกมาทํากิจนี้ท่านก็จะไปเดินเดินคมนั่งสมาธิเพื่อที่จะกดไอตัวกิเลสนี้ไว้ก่อนถ้าอยู่ในขั้นสมาธิก็กดมนันไว้ก่อนแต่พอถ้าอยู่ในขั้นปัญญาแล้วก็ไม่ต้องเท่าสมาธิก็ได้ถ้าปัญญาทันมันก็จะตัดมันได้ตัดความอยากได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นความอยากความอยากนี้เป็นอันตรายเป็นความทุกข์ใจก็อย่าไปอยากมันสิ พอตับความอยากได้มันก็จะมันก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาก็ไม่มีความโกรธตามมาไม่มีอารมณ์นะตใดๆตามมาแต่เริ่มด้วยทางใช้สมาธิกดไว้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยใช้ปัญญาก็สมาธิมันง่ายกว่าแล้วก็มันมันเป็ น, เ ป, นเป็นฐานของปัญญาด้วยถ้าไม่มีสมาธินี้มันจิตมันจะมีอารมณ์ตลอดเวลาเราจะไม่รู้ว่าการไม่มีอารมณ์เป็นอย่างไร เราต้องไปอยู่จุดที่ศูนย์ก่อนศูนย์จากอารมณ์ก่อนแล้วพอเราอยู่จุดนั้นแล้วเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่ามันมีความแตกต่างกันขณะที่ไม่มีอารมณ์กับที่มีอารมณ์เป็นอย่างรเราก็จะรู้ว่านี้เกิดอารมณ์แล้วแล้วเราก็จะพิจารณาได้ทันทีว่าอารมณ์นี้เกิดจากความอยากต้องอยากในสามตัวนี้ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยการที่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องนี้ก่อนนี้มันง่ายไม่ต้องไปไปค้ำหาหาต้นต่อหาสาเหตุว่าอารมณ์ เอาเราเหล่านี้มันเกิดจากอะไรพระเจ้าบอกเลยว่ามันเกิดจากตัญหาทั้งสามนี้เรื่งแต่เราแยกดูเรามันตัวไหนท่านเองเมื่อที่เรางหงุดิดใจนี้เราต้องถามตัวเงหงหงิดพ่อพอะไรพราะไม่ได้ดื่มกาแฟพราะไม่ได้ดูหนังหรือเพราะไม่มีใครชมเราหรือพราะไม่ได้ขึ้นเหินเดือนมันต้องมีอะไรทั้งอย่างเราคิดดูเพราะใจเรามันหงุดหงิดหรือมุดฟ้ามุ ด, ดิมก็อาจจะหงุดหงิดได้ก็ อ, อยากจะให้มันสว่างสวัย มันถามได้แล้วถามตัวเองแล้วได้แล้วเราก็จะพอรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ตัดมันได้อ๋อมันชอบมันชอบอากาศอย่างนี้เหรอจะทำไงได้ลราเราไปเปลี่ยนมันได้ที่ไหนแล้วเราเราตัดความอยากได้ปั๊ไออารมณ์มนต์มันก็จะหายไปหรือถ้าไม่รู้ไม่สามารถจะวิเคราะห์ด้วยปัญญาได้ก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิเหม่ก็แล้วกัน ถ้าหมุดหลุดถ้าไหลก็เข้าไปนั่งสมาธิพุโทโธพุทโธดูลงหายใจพอสงบปั๊บความหมุดหลิดมันก็จะหายไปแต่มันจะไม่ไม่หายแบบถาวรเพราะพอออกมาใหม่มันเจอแบบนเหตุการณ์ก็เป็นอีกแต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วพอตัดได้แล้วต่อไปมันไม่จะเจอกี่ร้อยครัง้งมันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วจะไม่หมุดหลุดแล้วนเะพราะมันรับกับรับกับเหตุการณ์นั้นได้อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นเป็นวิมุติ วิมุตด้วยปัญญาไม่ได้วิมุตตด้วยสมาธิสมาธินี่วิมุตชั่วคราวนั่นจังแต่มัน เ, เรื่องของการหาต้นเหตุจะถูกต้องคือคือบางทีอย่างพวกเวลาทำงานทาการเนี่ยรู้แล้วว่าเริ่มหมุนหยิ่แต่มันหาต้นเหตุไม่เจอแต่มันจะไปหาเจอตอนนั่งสวดม น, นั่งภาวนาแล้วกลายเป็นไปปั่นอยู่ตรงนั้นแทนนะคะ ก็นั้นแหละพอพอเราพอเราไปทําสมาธิเข้าเราเราก็จะจะจะเห็นความแตกต่างเวลาเราจิตเราสงบเป็นยังไงกับเวลาที่เราหงุดหงิดเป็นยังไงแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราหงุดหงิดเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่แต่ก็ก็เลยเอ๊ะเราควรจะใช้เวลานี้ในการทําสมาธิต่อทําไมเรามาปุ้นวายกับการหงุดหงิดเมื่อกลางวันว่าสาเหตุมันคืออะไรก็เป็นเรื่องของเราทําไมเราไม่ทําสมาธิ เราไปถามใครถามตัวเราเองเราควรจะมานั่งคือคือพอพอนั่งปุ๊บสวดมนุ์ปุ๊บเนี่ยมันก็นั่งหาเหตุผลนี้เราควรจะนั่งหาเหตุผลหรือจริงๆเราควรจะนั่งสมาธิต่อไปคือคือตัดซะอย่าไปยุ่งกับเรื่องของการหาเหตุผลในใจเราว่าเราหนุนเหตเพราะอะไรอะไรคือถ้าไม่ไม่หาเหตุผลมันเดี๋ยวมันก็หนุดเหตุได้เองใช่มันสวดมนุษ์ไม่ได้เลยอ่คือถ้าเราหาเหตุผลได้แล้วต่อไปมันเจอเหตุการณ์เดิมเหมือนกันมันก็จะไม่หนุนเห แต่ก็คือลราหาหเหตุผลให้ให้จบให้ år, เรียบร้อยก่อนแล้วจะตั้งถ้าจะฝึกมูลเจ้าพวนาก็ค่อยว่าไปคือมันอยู่ที่ความสามารถการสาติปัญญาของเราด้วยถึงแม้เราอยากจะใช้หามันแต่เราไม่มีกําลังพอสติปัญญาของเราไม่แหลมคมพอมันก็อาจจะหาไม่เจอก็ได้ก็สู้ฝึกมูลดีกว่ากกัก็แล้วแต่กรณีแต่ละคนไม่เหมือนกันเดิน <ide spirits> ของเดินในตัวเราบางเรื่องเราก็แก้ได้หรือบางเรื่องเราก็แก้ไม่ได้ แต่ด้ช้าหีืแกไม่ได้เลยก็มีอาจจะต้องใช้เวลาศึกสาไปเรื่อยๆก่อนก็คืวไงไว้ก่อนเลยเด็กคงไปยุ่งของมนันก <c oughs> ็เข้าสมาธิไปก่อน <c oughs> พักจิตก่อนทำใจให้สบายก่อนใจสบายแล้วกลับมาดู <c oughs> ทีก็อาจจะเห็นก็ได้คนห น, นึ่งฟังเข้าใจไหม คนหนึงมีใจมีปัญหาไหมอาจารย์ครับจากคำถามเมื่อกี้ครับคนสงสัยนิดนึ่งว่าเอ อ, อย่างสลากเราสอนให้เป็น positive thinking นะอาจารย์คือจริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ลงสุดใส่รักครับแต่ว่าให้คิดบวกเป็นอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ปัญหาที่เรามีอยู่ในใจมันเบาบางแต่จะไปเกิดกิเลส ต, ตัวรือย่างเงี้ยอันนี้ก็มันก็พอพอได้นะอาจารย์นนในระหว่างที่เรากําลังปฏิบัติคือ อะไรความคิดอะไรที่สามารถดับความทุกข์ใจได้ก็ถือว่าใช้ได้ครับถึงแม้มันยังไม่ได้ไม่ได้ลงทางไตรลักนะครับมันต้องลองไตรลักษณ์มันถึงจะดับได้ถ้ามันไม่ลองไตรลักมันก็ดับแบบกลองๆมันมันมันมันไม่ใช่วิธีคือเราก็เพียงแต่ อาจจะเบีเ่ยงเบนคือทิ้งปัญหาไว้ว่าถ้ามันมีทําเรื่องนี้ไม่ได้ก็ไปทําเรื่องอื่นก่อนอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปดับไปหาเดิมมนันยืดออกไปก็เป็นค้าเหมือนกับเราขับรถมาแล้วเจอถนนปิดอย่าเงี่ยเราก็ต้องถอยกลับไปแล้วไปหาเส้นอื่นใไปเวลาถ้าวันหลังเราขับรถมาตรงจุดนี้มันก็จะปิดอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นจะข้ามไปไม่ได้ แต่ถ้าเราศึกษาวิธีข้ามปัญหานี้ไปได้ต่อไปเรามากี่ครั้งเราก็สามารถที่จะข้ามจุดนั้นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ทางปรรัญญาทางศาสนานึ่ง ม, มันก็ต้องเข้าไปที่ใจลักเข้าไปเห็นว่าเราไปหลงไปยึดไ ป, ปติดไปอยากกับเขาเองต่างหาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ไดาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา พอไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจมาก็เลยอ่ะไม่ได้ก็ไปทําอย่างอื่นถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่จะไปแก้ตัวนาเพราะว่าเดี๋ยววันหลังกลับมาเจอปัญหาเดิมนี่ก็ก็จะมติดอยู่นั่นเี่นเราติดปัญหาอยู่กับคนเนี้ยเดี๋ยวถ้าคนนี้เทย์ลแล้วไม่สบายใจที่คือเนี่ยจะแก้ยังไงก็ต้องพิจารณาจนเห็นว่าเขา เขาก็เป็นอย่างนั้นเน่ยเราไปแก้ของไม่ได้เขาอยากจะด่าเราเขาอยากจะหรืออะไรกับเราก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันแค่มีกรรมเกิดมาก็อยากไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันถ้าไม่จําเป็นถ้าจะเป็นต้งยุ่งกับเขาก็คิดว่าเขาไม่ด่าเราก็ดีนะเขาไม่ตีเราก็ดีเพรายังทงาองอํางานร่วมกันได้ถ้าจําเป็นจะ ต, ต้องทงาําอะไรก็ทําำันไปคือต้องฝึกทำเจ้า การทำใจด้วยการมองให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาแล้ก็เป็นตายล้วคำว่าอนัตตาก็คือเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมนะครับให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเขากัคำว่าเป็นอย่างที่เราต้องการก็คือสมุทัย่ะเรามีความต้องการเรามีความอยากแต่ถ้าเราไม่ได้อยากให้เขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเราก็รับได้ทุกแบบมันก็ไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความทุกข์ใจขึ้นมา เขาจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นนี้ไปไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเราดีกว่าเปลี่ยนที่ใจเราเปลี่ยนใจเราให้รับขัดเขาให้ได้เขาจะดีเราก็รับเขาได้เขาจะร้ายก็รับเขาได้เมี่อพูดถึงในอนนี้ที่ต้องเจอเขาต้องอยู่กับเขาเนี่ยแต่ถ้าเราที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเจอกันก็ต่าง ค, คนต่างอยู่กันไปแต่ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องไปเจอเขา แล้วก็ทําใจให้อยู่กับเขาให้ได้รักขเขาให้ได้แล้วต่อไปเวลาเจอเขาอีกกี่ครั้งกี่หนก็จะไม่เป็นปัญหต่อไปแต่ถ้าเรายังรับเขาไม่ได้แล้วเราหนีไปเดี๋ยววันนั้นเราเจอกันอีกมันก็จะเป็นก็จะมีความรู้สึกเดนเดินนั่นเองแล้วนี้เราต้องต้อ ง, ต, องต้องยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องสัมผัสรับรู้ ว่ามันเป็นอย่างนั้นแ่ะเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างอื่นเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความที่เราอยากจะให้เขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างนี้เช่นผมเรานี่ยนะสีขาวไปหมดเลงถ้าอยากจะให้มันดำเนี้ยก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้า <jur> ช่างมัน <quy> อ่ะเขาก็ขาวอานี้มันก็จะไม่ทุกข์ แค่ก็ไม่ต้องย้อมไปตลอดชีวิตแต่คนที่ยังยอมอยู่ก็ต้องยอมไปเรื่อยๆอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ยังย้อมอยู่เพราะเขาไม่ยอมรับผมสีขาวของเขาว่าเห็นเราจะเกิดความ ท, ทุกข์ใจขึ้น เอเขาถามต่อจากพี่วันตะกี้นะที่เขาบอกว่าหายที่เขาสวดบนไปแล้วตัวปัญหาที่เกิดเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอว่าขี้ทายเ ป, เป็นไปได้ไหมคาว่ามันกาำขี้ทายมาเพื่อให้เราได้แก้ปัญหามาตรงนั้นนะคือเวลาจิตเราสงบนี่เราอาจจะมองปัญหาไปอีกแง่หนึ่งก็ได้ในขณะที่จิตไม่สงบมันมีความอยากจะเอาแพ้เอาชนะไงก็ อ, อยากจะแก้ปัญหาแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องทำอย่างนี้แต่พอเราหยุด ถ้าเรามาทำใจให้สงบให้ความอยากที่จะให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็หยุดถูกคนงับไปแล้วพอเรามองกลับไปที่ระบอเองเขาเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็อาจจะอาจจะอาจจะตับให้ความอยากที่จะให้ก็เป็นอย่างนั้นได้มันก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปเช่นสมืติเราอยากจะให้เขาไปกับเราเนี่ยเราอยากจะไปที่ไหนที่หนึ่งแล้วเราเขาเป็นแกนเราแล้วเป็นสามีเรา เราอยากจะให้เขาไปแต่เขาไมา่ยอมไปนี่เราก็มไม่รู้จะทำยังไงล้วก็ไปนั่งชวนมนงดี์เราช <c oughs> วนมนตษย์สงบแล้วใจเราสบายเล้ว เ, เราไปคนเดียวก็ได้เขาไม่ไปกับเราก็มเห็นเป็นปัญหาอะไรเ็าจะเห็นอีกมุมอีกมุมมองเวลาจิตมีความสงบแล้วมันไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไปคนเดียวก็ได้หรือไม่ไปเลยก็ได้เปลี่ยนใจไม่ไปก็ได้ นั่งสมาธิอย่างนี้ก็สบายแล้วมันก็จะมันก็มันก็จะเป็นฐานของวิปัสสนาพอจิตสงบแล้วมันเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะมองเห็นว่าปัญหาของเรานั้นมีเกิดจากความอยากของเราต่างหากเราก็จะเห็นอย่างนั้นได้แต่ในขณะที่เกิดความอยากนี้มันจะไม่เห็นอะไรทั้งมันจะอยากอย่างเดียวมันอยากจะให้ให้ได้ดังใจอย่างเดียว ใจมันจะร้อนมันจะคิดทุกอย่างทุกวิธีเพื่อที่จะให้มันได้อย่างที่เราต้องการจะต้องขาดแขนงเขาแล้วต้องทําอะไรบังคับเขาอย่างไรก็จะทำแต่พอทําไม่ได้จริงๆก็ก็ยอมแพ้ก็ไปนั่งไหว้พระสวเมืองทําใจให้สงบหัวใจสงบแล้วนะก็สบายใจแล้วนะี่เราไม่มี็นเขาเราก็อยู่ได้นะแล้วก็ปล่อยก็ได้หับความอยาก ที่เราอยากให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ปัญหาเน่นก็หมดใหม่แต่ถ้าในขณะนั้นมันเป็นแค่ว่าเราทํามาที่อยู่เนี่ยแต่มันแว บ, บเข้ามาแวบบเข้ามาแต่เราไม่เก็บ ม, มายกเพี้ยนอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเรากลับถ่ามันปล่อยผ่านไปเลยพื้นที่เราจะอยู่กับปัญหาตรงนั้น ไ, ได้ไหมคะผลจะต่างกันไหมคะคื อ, อถ้ามันยังเข้ามาอยู่นี้มันแสดงว่าเรายังไม่สงบ ถ้ามันสงบแล้วมันจะไม่มีอะไรเข้ามาได้ถ้ามันเข้ามานี่แสดงว่าจิตเรายัางไปรับรู้รับรู้เราต้องไม่รับรู้อะไรเลยโดยถ้าถ้ารับรู้ถ้ารับรูกบ้ก็ต้องแบบว่าเฉยไม่ไม่มีปฏิกิริยาไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิได้เช่นบางที เมล่อนั่งนั่งเกิความเจ็บปวดขึ้นมาแล้วเราก็นั่งต่อไปจนกระทั่ง จ, จิตมันเนืง่งแต่ความเจ็บปวดก็ยังมีอยู่แต่มันนั่มัารบควรจิตใจของเราอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิแบบนี้แี่ที่หนูเคยนะเวลาที่นั่งไปมันเจ็บปวดที่ก พ, พยายามพีายาให้เป็นอนิจจังทุกข์นะหน้าตาใจใจมันไม่ยอมแล้วมันดิ้นนะคะดี่จะออก เพราะสมุทัยมันยังกําลังทํางานอยู่มันยังอยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไม่ยอมอยากให้ความเจ็บนั้นมันหายไปนี้รู้สึกว่ามันไม่หายไปก็เลยกลับมาอยู่ที่รูปร่างกายอยู่กับสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทุกพร้อมถ้าทําใจบเบไปสบายหลังจากนั้นมีความสูญเลือดที่มันขาชาอยู่เนยมันค่อยไหลไปตามสภาพของหน้าทมันก็หายเจ็บไปนี่ค่ะพอเราปล่อยวางความอยากที่จะให้ความเจ็บนั้นหายไปด้วยอยากจะลุกอยากจะเปลี่นวิธารบว ถ้าไม่มีความอยากนั้นแล้วความเจ็บความทรมาร์ใจนี้จะหายไปหมดเลยเังนันนความเจ็บของร่างกายก็จะไม่ไม่รุนแรไม่รู้สึกรุนแรงต่อใจเพราะที่มันวุนแรงที่ทนไม่ได้ก็คือความทุกท์ทรมาร์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปพอ mm hmm. เราระงับตัวนี้ได้แล้วร่างกายจะเจ็บขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาจุดต mm ั้งคือจุดเดียว พี่นาแล้วมาปล่อยวางหรือว่าเป็นจุดที่เรามายุรู้อยู่กับรูปร่างกายตรงนี้เนี่ยหันเหยียบรู้ตรงนี้ก็คือว่าตอนนั้นเราเราเราเราหันมาเปลี่ยนแนวจิตเรามาดูที่ร่างกายแทนอันนี้ก็เป็นอุบายของสมาธิเช่นเราบริกรรมพุทธโธแล้วกับมาดูลมหายใจเขา้าออกอย่างนี้แล้วไม่ไปรับรู้เรื่องความเจ็บของร่างกาย<อ>ใจที่ไปเกิดความลังเกียจกับกับความเจ็บของร่างกายมันก็ไม่มีโอกาสทํา ง, งาน พาเราไม่ได้รับเพราะเราไม่ไปรับรู้กับความเจ็บนั่งเหมือนเวลาที่เรานั่งดูหนังแล้วนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนอย่างเี้ยมันจะไม่รู้ เ, เจ็บๆตรงนั้นเพราะใจเราไม่ได้อยู่กับความเจ็บของร่างกายเราอยู่กับไอ้หนังที่เรากําลังดูอยู่นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนเรามีเราดูหนังเราไม่ไปดูที่ความเจ็บเรามาดูร่างกายของเรา <c oughs> พิจารณาร่างกายของเราแทนอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นนิสัตสนา ถ้าเป็นวิปัสสนาเราต้องมองไปที่ความเจ็บนั่นแหละเรถามตัวมันเจ็บจริงหรือเปล่ามันเจ็บเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากให้มันเจ็บใช่ไหมหรือว่ามันเจ็บเพราะว่ามันเจ็บจริงๆถ้าพิจาณาดูเราก็จะรู้ว่าอ๋อที่มันเจ็บมากๆหัวใจเรารับมันไม่ได้นั้นเองถ้าใจเรารับมันได้แล้วมันจะไม่เจ็บเพราะเราเคยเราเคยเก็บเทลียงตอนที่เรานั่งเจ็บแล้วเราก็ถามตัวเราเองทำไมลับมันไม่ได้เราก็เลยนึกถึง เสียงป็นตัวอย่างเสียงมันก็เข้ามาทางหูแล้วมันก็ไปรับรู้ที่ใจใช่ไหมไอ้ความเจ็บนี่ก็เข้ามาทางร่างกายแล้วก็ไปรับรู้ที่ใจเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่ใจรับรู้พอมันเข้าไปทั้งในแล้วมันมันไม่มันไม่เป็นเสียงมันไม่เป็นเป็นเป็นเป็นความเจ็บของร่างกายมันก็เป็นความรู้ส <kidnapped zu> <Edge> <S ID muff la> ึกอย่างหนึ่งที่ปรากฏให้ใจรับรู้อยู่แล้วก็คิดถึงเสียงว่าเอ๊เสียงเนี่ยเสียงบางอย่างเนี้ยถ้าเราชอบเนี้ย ถึงแม้มันจะดังล่้นหูเนี่ยเรากลับไม่เดือดร้อนเนี่ยที่เราชอบเพลงไหนเนี่ยเราเปิดให้มันลั่นเข้าไปในหูเราฟังแล้ว ม, มีความสุขมันเนี่ยนะแต่ถ้าเสียงที่เราไม่ชอบเนี่ยที่แบบเบาๆค่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับไปไปไ ป, ไปกรีดหัวใจหรอกเนี้ยรับไม่ได้พิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าเมันเกิดจากตัวเราเองต่างหากที่ไปชอบหรือไม่ชอบเนี่ยในความเจ็บของร่างกายก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่ชอบมันก็เหมือนกับว่าเราไปเอาเมียมาติดหัวใจเราถ้าเราชอบมันมันก็จะไม่รู้สึกเจ็บใจแต่อย่างใดพอพิจารณาไม่ได้แล้วใจมันก็มันก็ยอมรับไอ้ความเจ็บของร่างกายอย่างนั้นมันก็เฉยมันก็ไม่ต่อต้านพอไม่ต่อต้านไม่มีความอยากไม่มีสมุทัยทุกในใจก็ไม่มี ที่ทนนั่งอยู่ไม่ได้เพราะมันมีความทุกข์อยู่ในใจถ้ามีความสุขอยู่ในใจก็นั่งได้ใช่ไหมที่นั่งดูหนังบางทีปวดปัสสาวะกันที่ยังไม่ยอาลุกไปถ่ายเพราะอยากจะดูต่อกลัวเดี๋ยวด้ขาดตอนต้องรอให้ถึงเวลาโฆษณาก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราท่านเองไม่ได้อยู่ที่ไหนของทุกอย่างนั่นเขากลางกลางเขาไม่ดีไม่ชั่วแต่เราไปรักไปชังเขาเอง ความเจ็บนั้นก็ยังอยู่แต่เราไม่รับความรู้สึกนั้นใช่ไหมคะรับรู้แต่เราไม่เราไม่มีปร the ิพิกริยากับเขาเราไม่ไปรักไปชังเขาเท่านั้นเองก็เพลงนึงเดียวกันนี้ทําไมคนหนึ่งชอบอีกคนอื่นเกลีดใช่ไหมหรืออาหารชนิดเดียวกันจานเดียวกันนี้คนหนึ่งกินได้อะไรอร่อยอีกคนหนึ่งกินไม่ได้ก็เพราะความชอบความชังนี่แต่ร่างกายมันไม่รู้เรื่องอาหารที่มันกินกินเข้าไป เนี่เราต้องฝึกอย่างว่าสิ่งใดที่เราชอบก็พยายามอยู่ห่างๆอย่ายไปเพราะมันจะเติดสิ่งที่เราชังก็พยายามเพื่อเราจะได้ไม่ลังเกียจมันจะไม่จะได้ไม่มีปฏิกิริยากับมันไม่ตายใชค่ะกํากกลังจะจะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเราชังเนี่ยอย่างทํางานเกี่ยวกับหนังสืออย่างเงี้ยบ า, บางบงบทความบางคนเราไม่ชอบเขาเราก็จะไม่อ่าน วิธีแก้จะใช้วิธีอย่างท่านอาจารย์ว่าอะไรนะก็คืออ่านจนกว่าใจเราจะเป็นบนุเบกาให้ได้คือถ้าเป็นการงานนี้ <c oughs> มันต้องยึดหลักเหตุผลถึงแม้เราจะไม่ชอบแต่ถ้าเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องอ่านเราก็ต้องอ่านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโดยชีวิตปกติของเราไม่ใช่เป็นการงานนี้เราก็เลือกได้อันไหนแต่เราควรจะเลือกอ่านในสิ่งที่เราไม่ชอบและไม่อ่านในสิ่งที่เราชอบ ต้องต้องไม่ได้อย่างนั้นเลยว่าคืออ่านในสิ่งที่เราไม่ชอบจนกว่าเราจะไม่คิดอะไรกับมันเลยใช่ใเช่นเราไม่ชอบพิจารณาความตายอย่างนี้เราต้องพิจารณาเลยถ้าเราไม่มีความรู้สึกอะไรกับความตายต่อไปแล้วสิ่งที่เราชอบก็คือพิจารณาเรื่องการเที่ยวอย่างนี้ก็จะ่าไปพิจารณาอย่าไปคิดถึงเรื่องเที่ยวมันจะได้ไม่เที่ยวต่อไปมันจะได้ไม่เที่ยวดนี้ พวกนเรามันติดอยูกับสิ่งที่เราชอบเอนมันถึงว่าทำอะไรไม่ได้ออกไปอยู่วัดไม่ได้กันถ้าเราชอบดูหนังฟังเพลงชอบรับประทานอาหารสี่ห้ามืออะไรอย่างงี้ออกไปอยู่วัดอะไย่างงี้มันไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ทําไม่ได้ แต่ถ้าเราทำได้ต่อไปเราก็จะสบายเราจะได้ไม่ติดเราทำได้ทั้งสองรูปแบบอยู่อยู่ตรงไหนก็ทำแบบนั้นได้แต่เราถ้าเราไปเราไปทำแบบนั้นได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ชอบแบบที่เราเคยทำอยู่เพราะแบบที่เราทำอยู่นี้มันให้ผลที่ไม่ดีเท่ากับแบบที่เราไม่ชอบคือการไปอยู่วัดการไปนั่งสมาธิการไปปฏิบัติธรรมนี้ พอมันติดใจแล้วทีนี้มันไม่อยากจะทำอย่างอื่นเมื่อก่อนเราก็เคยชอบดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเมายาแต่เราก็รู้ว่ามันมีผลข้างเคียงผลเสียตามมาเวลาไม่ได้ทำรู้สึกยังไงบ้างเศร้าโ่อยอย่างาว้าวเว แต่พอมาทาําทางนี้ทางปฏิบัติตอนต้นก็เศร้าซร้อยเงีเหงาว่าวเวแต่พอทําจนกระทั่งจิตสงบย่อมเห็นผลแล้วทีนี้มันไม่เหงาแล้วมันไม่เศร้าซอยแล้วมันเกิดมีปิติมีความสุขมีอะไรเกิดขึ้นมาอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นอยากจะให้มันมีมากขึ้นล้ทีนี้มันมันพลิกหน้ามือตถึงมือพยายามทําในสิ่งที่ไม่ชอบเถอะสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเนีย่ยเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ชอบทํำกัน พยายามทำให้หน้าแล้วต่อไปเขาเปนติดแล้วทีนี้ก็สบายแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราชอบนี้ไม่มีพิษมีภัยกับก จ, จิตใจของมีแต่คุณอย่างเดียวเป็นที่พึ่งของจิตใจไดนะ้แต่สิ่งที่เราชอบนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราแต่เป็นยาพิษกับก จ, จิตใจมันจะเป็นตัวที่สร้างความทุก ข, ข์ให้กับเราเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เราชอบไป สูญเสียบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้งานการตำแหน่งอะไรต่างๆและในที่สุดก็สูญเสียชีวิตร่างกายของเราไปเนี่ยคือสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่พระเจ้ารงสอนม่ให้เราให้เราไม่ให้ชอบเลยร่างกายเราก็อย่าไปชอบนะอย่าไปรักมันอย่าไปอยากให้มันอยู่นา ง, งานปล่อยให้มันอยู่ไปตามอัตภาพของมันเมื่อถึงเวลาที่มันจะไปก็ปล่อยมันไป ไมไปชอบไปยึดไปติดมันนะเวลามันไปเราจะไม่รู้สึกคอะไรเลยถ้าเราไปรากไปหวงมันละเวลามันจะจากออกไปไม่รู้ว่าเราทุกข์ทรมานจังมากแม้แต่ยังไม่จากกันเลยเพียงแต่คิดถึงก็ยังไม่กล้าคิดเลยนี่คือปัญหาของพวกเราปัญหาของเราที่ว่าเราจะต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแก้ ทานนี่ก็เป็นการสละของที่เราชอบมีใครชอบไม่ชอบเงินบ้างนะแต่วันนี้เรามาสละกันทาในสิ่งที่เราไม่ชอบทํากันก็คือเอาเงินนี้ไปให้คนอื่นแต่ถ้าเราทําด้วยความพอใจนี้เราก็จะได้ความสุขแต่ถ้าเราทําด้วยความไม่พอใจเราก็จะเสียดาย หรือเวลามันจากเราไปโดยที่เราไม่ไม่พอไ ม, ไม่ไม่พร้อมที่ให้มันจากเราไปเช่นเงินที่เราจะมาทำบุญนี้ถ้าเกิดหายไปก่อนนี้เกิดใครขโมยไปเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราได้อออกมาทําบุญได้เออมาให้แล้วเรากับโล่งใจสุขใจสบายใจเพราะความจริงมีเงินนี้มันก็กดดัน ิตใจาเน้อ่ไม่ยไม่ดีต้องคอยดูแลรักษาต้องห่วงต้องห่วงเราไม่รู้สึกตัวหลักใจนนม้นกดดันใจเราอยาเฮ้ยตังอยู่หร้อเปล่าอยู่ตรงไหนสตมมังไว้ตรงไหนแต่พอไม่มีแล้วก็สบายใจเป็นภาระของคนอื่นไปนะข้าเจ้าเจ้า ถารสังฆทานหน่อยนะะเอเออย่างสมมุติเวลาเราถ้าสมมติว่าจะถวายปัจจัยท่านอาจารย์เนี้ยแล้วต้องการให้เป็นสังฆทานนี่เราต้องแจ้งจิตนาญนี้ะหรือว่าแค่แจ้งหรือคิดว่าท่านอาจารไปทําอะไรก็ได้หรือว่าถวายแล้วท่านอาจารย์ทอะไรก็ได้ก็ถือว่าเป็นสังฆทานแล้วก็แล้วแต่ผู้ถวายอยากจะถวายยังไงก็ถวายได้จะถวายสังฆทานก็บ่งไว้ว่าถวายเป็นสังฆทานก็ต้องแยกเอาไปให้อีกอีกองเข้าเก็บไว้เป็นของวัดไป ก็คือแจ้งเจตนาต้องแจ้ ง, ง, ง, ง, งถ้าเขียนใก็เขียนในปาวานาก็ต้องเขียนว่าถวายเป็นสังฆทานเราอยากจะมีเจตนาให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถวายเพื่อสร้างกุติก็ต้องเป็นไปตามเจตนาของของผู้ถวายเหมือนกับเวลาเราเซ็นเช็คเราก็เขียนว่าจะจ่ายแบบไหนเป็นเงินสดจะเข้าบัญชีหรือจะใช้ชื่อใครอย่างนี้มันก็ต้องเป็นไปตามผู้ที่มี ม, มีเจตนาแล้วอันนี้ส่งต่างไปเฉพาะระหว่างสมมติว่าถวายท่านอาจารย์แล้วในใจว่าท่านอาจารย์จะนาไปใช้อะไรก็ได้กับการถวายโดยแจ้งเจตนาว่าถวายเป็นสังฆทานเคือมันต่างที่ตองผู้รับนะคือถ้าผู้รับเขาถวายมาโดยเขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้มันก็มันก็จะสะดวกต่อการใช้จ่ายแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้รับีกว่าจิตใจเป็นยังไง ถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ mm ์ hmm. ก็ mm hmm. อาจจะถูกกิเลสนี้ถุดลากเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์มันก็จะทำให้การใช้เงนินของท่านนั้นสะดวกไม่ถูกการาขอ้อข้อบังคับจากผู้ให้ซึ <Okay. S 1> ่งบางครั้งถ้ารู้ว่าบังคับ mm hmm. ถ้าเขาบังคับจะให้บางทีผู้รับก็จะไม่รับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นภาระ mm hmm. เช่นว่า mm hmm. ต้องการถวายเป็นสังะทาน เราก็ต้องเางินตอนนี้ไปให้อีกที่หนึ่งอย่างนี้แล้วก็บอกคุณแล้วก็ไปให้เขาเองเนะหลงก็ลงงป็นนี้ก็ลงอยากจะไม่รับเมื่อก่อนเราจะเป็นคนรับผ้าด้วยเป็นี้จะไม่ไม่รับท้างไาปใหญ่เลยลงไปถวายที่ไหนอย่างเดียวก็ให้พระลูกอื่นเขาเป็นผู้รับผ้าแทนไปแต่พระก็ได้แต่ผ้าเท่านั้นนหะแต่แตแจงง่ใจเงินทองก็ไปที่คณะกรรมการ ไหนถามมาก็เล่าให้ฟังแต่แต่พูดตามความจริงรนะเรื่องเองินทองนี้ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญจริงๆกับถิ่นี้ก็คือผ้าเพราะสมัยก่อนนี้ผ้าหายากการได้ผ้ามานี้เป็นเรื่องที่ที่จําเป็นมากเพราะพุทธเจ้าจึงต้องกําหนดให้มีการถวายผ้ากระถินขึ้นมาเรื่องเงินนี้มันเป็นเรื่องที่แถมมาทีหลังสมัยก่อนมีแต่ผ้าอย่างเดียว เพราะพระป่าปนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองกันแล้วที่อยู่ของท่านก็อยู่แบบนี้เนี่ยแบบแบบง่ายๆไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินใช้ทองสมัยก่อนท่านก็ตัดต้นไม้ทํากันเองหรือก็มีญาติโยมที่มีศรัทธาเขามาช่วยกันทาําทํากับธรรมชาติแบบนี้ไม่ต้องมีเงินมีทองแต่สมัยหลังนี่มันเจริญพัฒนากันขึ้นมาเราก็เอา ทางโลกมาเป็นแบบฉบัดก็เลยต้องมีเงินมีทองเพราะอยากจะสร้างวัดให้สวยงามอย่ากมีโบสถ์มีเจดีย์มีอะไรต่างก็ต้องมีเงินมีทองแล้ว้างใบลาบมันก็เสื่อมโทรงก็ต้องบอนะเมื่อนะซ่อมแซมถ้ามันก็ต้องมาทําแต่งงานที่มันไม่ควรจะทําเพื่องานสร้างวัตถุต่างๆดูแลวัตถุงานด้านจิตใจก็เลยถูกปล่อยปล่อยปล่อยตาแล้วเลยจิตใจของพระก็เลย ห่างไกลจากสีจากธรรมไม่ค่อยมีสีมีธรรมเท่าไรลองไปดูวัดที่มีความเจริญทางวัตถุดูเลยทางด้านจิตใจนี้จะไม่ค่อยมีสีมีธรรมเท่าไรแต่วัดที่ไม่มีความเจริญทางวัตถุนี้จะมีสีมีธรรมในจิตใจมากอยู่ที่การอยู่ที่ว่าจะเน้นไปพัฒนาทางด้านไหนกันทางวัดป่านี้ท่านจะเน้นไปทางทางพัฒนาทางด้านจิตใจท่านเองไม่ค่อยได้สร้างอะไรมากมาย สางเท่าที่จําเป็นมันพอหลบแดดหลบฝนเพื่อทํากิจกรรมที่ที่จําเป็นจะต้องทำได้านก็พอแล้วเนีย่ยถึงไม่อยากจะให้สร้างเหมือนเะช็น <c oughs> ต่อบไป จ, จะต้องแบ่งเป็นสองกลนะุ่มวันจันทร์เสาร์กับกลุ่มวันอาทิตย <c oughs> ์ถ้ามาแล้วมันล้มสาราก็ต้องแบ่งเป็นวันอื่นบ้างก็ได้ <c oughs> มาตั้งแ่อาทิตย์กได้ <c oughs> ถ้ามันไม่พอที่มันไม่พอ การขกลับเรียนถามเรื่องเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะมั ons, th ่นคงในก็คารัตนาไตรเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวต่อเทวดาอย่างไรเช่นที่บ้านรับมีสนรรับผูอะไรอย่างเนี้ยนะคะเราเราเราไหว้ท่านได้แบบคือจะไหว้แบบที่เราไหว้แบบผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ไหว้ได้เราก็ยังไหว้คนนั้นคนนี้อยู่แต่เราไม่ไหว้แบบคิดเขาเป็นสารณะเป็นที่เพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา นอกจากเขาเป็นเทพที่มีความรู้เราก็จะนับถึงว่าเป็นอาจารย์ก็ได้ถ้าเขาเป็นอริยเทพจะเป็นพระโสดาบันอย่างแม่พระพุทธเจ้าท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะที่ท่านเป็นเทพแล้วถ้าเกิดเราได้สัมผัสรับรู้ได้ยินได้ฟังท่านแล้วท่านสอนทำมาให้กับเราแเราก็นับถึงท่านเป็นเป็นพระอริยสงฆ์ได้ คือจะเป็นเทพเป็นพรมหรือเป็นอะไรนี่มันก็เป็นเหมือนมนุษย์เราธรรมดาอย่างนี้เป็นมีจิตใจเหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงเรื่อมีธรรมะเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าเขามีอะไรแล้วก็มีธรรมะเราก็เราก็บูชาเขาได้ถ้าเขามีมีมีอริยะทําอยู่ในจิตใจเขาเขาก็เป็นพระอริยสงฆ์เขาจะเป็นเทพเป็นพรมหรือเป็นเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันไม่ต่างกัน แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เราก็นับถือก็าในลักษณะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเพื่อนเริม่เเร ม, เเรมเกิดแก่เจ็บ ต, ตายแล้วให้ให้ให้ประโยชน์กับเขาว่าเขาคงจะมีบุญมากกับเราขเขาถึงได้เป็นเทพแต่เราอ่ะยังไม่มีบุญเท่าเขาเราถเป็นมนุษย์เราก็อาจจะนับถือก็เหมือนกันว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากกับเราเช่นเรานับถือคนที่ก็ถือศีลแปดเนี่ย เราไม่ถือศีแแลแปดเราก็อาจจะนับถึงคนนั้นเขาสูงกันอย่างพระที่มาบวช น, นี้เราก็นับถึงท่านว่าท่านมีศีลสองร้อยี่เจ็ดขอ้อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นพระอราิยะสูงแต่อย่างไดเพียงแต่ว่าท่านได้ถือศีลเราก็ไหว้ท่านได้แต่ถ้าจะไหว้แบบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ต้องไหว้ด้วยคุณธรรมคือท่านต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจของท่าน จะเป็นโซดาปฏิมาโซดาปฏิผลหรืออะไรแบบถ้าอย่างนั้นเราก็จะไหวอีกแบบนึ่งคือไหวแบบยึดท่านเป็นชาวนาเป็นที่พึ่นเป็นครูเป็นอาจารย์เวลาเรามีปัญหามีความสงสัยในเรื่องธรรมะเราก็อาศัยให้ท่านสั่งสอนเราได้หนึ่งนึงก็เป็นการไหวอีกแบบหนึ่งพอใจคะแล้วอย่างที่ คนที่จัดผลไม้แล้วก็ไหว้ก็พูงอย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะก็ไม่ผิดอะไรเขาก็เพียงแต่เขาเขาารับนับถือแล้วเขาก็อยากที่จะเส้นจะไหว้สอแต่ถามว่าได้บุญไหมก็ไม่ได้ถ้าือว่าไม่ได้ให้ทานไม่ได้ให้รายให้กับใครเหมือนเอาของไปทิ้งอย่างนี้ไปทิ้งในป่าช้าเส้นไปไหว้พ่อไหว้แม่าของไปทิ้งไว้แต่นั้นยังดีไม่ทิ้งเลย พอไหว้เสร็จก็เามากินไปเลยแต่ว่านี่จะร้ายกว่าได้กว่าไปทิ้งอย่นั้นไปทิ้งหรือเอาไปอย่างน้อยก็ยังแบบว่าใจตัดส่งนนี้ฮหก็อาจจะเป็นทานได้ถ้าเราให้เราที่เราไม่สนใจที่จะเอากลับคืนมาถึงแม้ว่าผู้รับจะไม่ได้เอาไปทำประโยชน์อะไรก็ตามก็ยังเป็นทานได้แต่ถ้าเราไปไหว้เสร็จแล้วแล้วก็เอามากินไม่ได้เล อาจารย์คะแล้วที่คนที่ก็ตั้งกระทงนะคะแล้วก็ปักธูปแล้วก็ให้สัพเพไวสีย่างนั้นถูกหระเหมือนกันก็เป็นการว่าเป็นการเชื่อของเขาบบดรงงานต่เขาเขากินไม่ได้เลยตรงนี้ก <laughs> <laughs> ินได้หัอไงถ้ากินมันก็หมดมนี่ก็ต้องหายไป <laughs> <laughs> เขาเป็นเขาเป็นนามธรรมต้องกินกรูปธรรมไม่ได้เพราะเองอาจจะรับรู้แล้วก็มีความอิ่มเอิกใจมีความสุขใจที่มีคนรักเขา เครพเขาบูชาเขาท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราไปรดน้ําำลำหัวผู้ใหญ่เนี้ยเราก็ไม่ได้อะไรท่านเราก็เพียงแต่เอาน้ําไปรดแต่ก็ทําให้ท่านมีความสุขใจที่เราเป็นห่วงเป็นใยมีความเคารพนับถือท่านเท่านั้นเองครับเขาก็จะได้ท่านนั้นเองเราก็ไม่ได้อะไรเราก็เราก็ได้ได้บุญก็คือนนัน้ได้มีความอ่อนน้อมทําตน เนืมมาา้อสมาคารวะก็จะได้ในลักษณะนั้นพอนนาจารย์คะขออนุญาตถามอีกคำหนึ่งค่ะแล้วอย่างคาถาต่างๆนี่นะคะซึ่งอาจจะเป็นของหลวงพอออ่อหลายๆออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรจะนํามาท่องแล้วก็อะไรหรือเปล่าคือคาถาต่างๆนี่ในทางพุทธศาสนานี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้นนถ้าเราเข้าใจความหมายก็จะเป็นปัญญา ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเราท่องก็มันก็จะได้สมาธิไม่ว่าจะเป็นคาถาบทใดก็ตามจะเป็นธรรมจักรก็ได้เป็นมหาสติปัฏฐานศียก็ได้เป็นยอดพระกันตายพิบดก็ได้ทั้งหมดนี้มันเป็นคําสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเราอ่านหรือกท่องแล้วเราเกิดความเข้าใจเราก็จะเสริมปัญญาบรารมีของเราให้เราแก่งกล้าขึ้นเป็นปริยัติธรรมเป็นการศึกษาพระธรรมคำสอน ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายแล้วเราเท่องไปเรื่อยๆเพื่อเป็นเครื่องผูกใจไว้ไม่ให้ใจเราไปคิดฟุ้งซ่านมันก็จะเป็นสมาธิหรือเป็นสมาา mm hmm. ถะท่านั้นเองยิ mm ่ง hmm. ในทางพระุธศาสนามันก็มีผลแค่สองอย่างแต่ในทางของลัทธิอื่น เ, เขาอาจจะมีความหมายของเขาก็ได้เช่นคาถาบางคถาอาจจะเรียกเรียบเสือมาก็ได้อย่างหลูงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่าน สมัยที่ท่านเป็นคาววะนี่ท่ก็รู้จกักโยมคนแก่ที่เขารู้จักคาถาเยียกเสือแล้วเขาก็จะพาเข้าไปในป่าแล้วจะสอนคนที่อยากจะขี่เสือนี่ยให้ท่องคาถานี้แล้วไม่นานเดี๋ยวก็จะมีเสือนี่เดินตะลึงะลึงมาแก็บอกอ่ะให้ให้คนที่อยากจะขี่เสือนี่ขึ้นไปขี่เสืออันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของของของสายศาสตร์เรื่องเป็นของ ของคําสอนของอีกรัตที่หนึ่งก็แล้วกันแต่จะไม่ใช่เป็นเกี่ยวข้องกับทาง พ, พุทธศาสนาเสมออาจารย์ะคะแล้วอย่างในกรณีที่คาถาบางคาถาแบบว่าป้องกันภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แล้วเราไปสวดนี่เหมือนว่าเรายังยิดติใช่ไหมคะเราึต้องขึ้นคือมันป้องกันภัยได้แต่ไม่ใช่ภัยอย่างที่เราคิดไงคือเราคิดว่าป้องกันภัยทางร่างกายแต่ความจริงมันป้องกันภัยทางจิตใจเช่นเราเกิดความกลั ว, ลวมากๆเราท่องคาถานี้ไป จะกระทั่งหายตัวอย่างเี้มันไม่ได้ไปป้องกันภัยทางร่างกายแต่มันป้องกันภัยทางจิตใจเช่นเรากลัวจะสูญเสียเงินทองเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ท่องคาถานี้ไปพอใจเราสงบแล้วมันจะเสียถ้าเราก็ไม่เส็ยเราก็ไม่ทุกข์อาท่านเล่นคาถาเรินล้านนะคะ อันนั้นก็ต้องพิสูจน์ดูเอาเองว่าเข้าเข้าเข้าได้ทํำดีเข้ามันก็ได้แล้วก็คือความสงบนี่แหละมันมีคุณค่านิยมเงินล้านอยถ้าได้ความสุขได้ความสงบแล้วก็จะไม่อยากจะได้เงินล้านอันนี้ดีกว่ามีคุณค่าดีกว่าเราถึงเล่าจากงานได้ไงเพราะว่าเราเรงได้สมาธิได้ความสุขได้ความสงบนีมีคุณค่ากับเงินเดือนไม่กี่พันที่เราได้เป็นตอนเรา เราเสียเวลาวันละแปชั่วโมองอาทิตลาห้าวันเพื่อจะได้เงินมาไม่กี่พันกับการเอาเวลาทั้งหมดนี้มานั่งสมาธิแล้วได้ความสงบนี้มั น, นคุณค่ามันต่างกันมากค้าสงบ น, นีันวันล้านก็ซื้อไม่ได้ไคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นอุบายของนักป่าหรอให้พวกโลกโก้หรือเงาทุเราที่อยากจะรวยเนีน่ยให้รวยจริงจริง จะให้ได้ให้จิตสงบนะมันจะรู้ว่าอ๋อความรวยนี้มันอยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ตัวเราเองมันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนหรือภัยต่างๆมันก็อยู่ในใจของเรานี่เองที่เราไปคิดฟุ้งซ่านไปคิดกลัวไปคิดรักไปไปรักไปชงังไปหลงกับสิ่งต่างๆพอเราสวดมนต์สวดคาถานี้ไปว่าจิตสงบปั๊บความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะหายไปเป็นเป็นอุบายของนักาะอบวช ใช่คะ่ะถามเลยคะว่าเฉพาะมนุษย์หรือเปล่าคะที่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมบาเพ็ญพรวาอย่างเทวดาและพรหมเนี่ยสามารถปฏิบัติธรรมสามารถที่จะเข้านิพพานได้ไหมคะได้ถ้าถ้าเขาสนใจทางด้ทำไนดะ้ะรือต้องกลับมาเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะต้องปฏิบัติไม่จําเป็นถ้ามีคนไปสอน้าในขณะที่เขาเป็นเทพเป็นพรเป็นเทพนี่เขาก็รับได้เช่<ม>นพระพุทธเจ้าไปสอนพระพุทธมังยาร<ม>สนให้บรรลุเป็นพระสวัามัาานได้ พอเริ่มเป็นโสดาบันแล้วเขาปฏิบัติเองได้เขาสามารถที่จะเพื่อนขัานขึ้นไปตามลาดับจนถึงข่านพระอรหันต์ได้พราะเขารู้ทางแล้วเพ<ม>ียงแต่ว่าจะไปช้าหรือไปเร็วถ้ามีอาจารย์คอยกำกับอยู่ทุกท่านนี้ก็จะไปเร็วแต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะไปช้าเพราะจะไปติดตามขั้นต่างๆจะมีปัญหาแต่ละข่านนี้จะมีเป็นเหมือนปริศนาธรรมที่จะต้องแก้ให้ได้ถึงจะผ่านไปได้ ถ้าไม่มีคนบอกก็จะอาจจะช้าแต่ไม่แต่จะไม่พ้นวิสัยจะต้องจะต้องรู้จนได้จะต้องแก้จนได้ท่านที่บอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแ่้วพระนิพพานนี้ก็จะเป็นผลติยาตามมาอย่างช้าก็เจ็ดชาติเป็นอย่างมนกถ้าไม่มีใครมาสอนต่อนะก็จะไปได้เองเพราะมันได้หลักได้ได้แนวแล้วก็เริ่มเข้าใจหลักของพระอริยสัจสี่แล้ว ว่าความทุกข์นี้มันเกิดจากสุกภยัยคือความอยากต่างๆนี้ก็อยู่ที่ว่าจะปฏิบัติตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนั้นให้หมดไปได้เร็วช้าเท่าไหร่เท่านั้นเองเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็กําจัดไปได้เพียงเสี้ยวหนึ่งของความอยากความอยากและอีกหลายส่วนยังกําจัดไม่ได้ก็ต้อง ก, ก็ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อกําจัดให้ลหมดไปอพอเป็นพระอนาคามีแล้วถ้าตายไปก็ไปเกิดเป็นชั้นพรหม ก็สามารถปฏิบัติในชั้นผถนได้แล้วก็บรรลุได้ไม่ต้องมีทายาสอนเพราะมีคำสอนอยู่ในใจแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ยังไม่สามารถํำจัดหรือทารักใจให้สะอาดบสุทธิได้เต็มที่นั่นเองแต่ถ้าเป็นปุถุชนนี้ตายแต่นี้จะไม่มีไม่มีแสงสว่างนำทางจะไม่รู้ว่าทางที่จะไปพระนิพพานนี้อยู่ตรงไหนไปอย่างไร ก็ต้องรอมีพระพุทธเจ้ามามีพระที่มีสามารถที่จะติดต่อทางจิตใจได้เช่นหลปู่มัน่นย่างนี้มีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเขาถ้าฟังแล้วเขาเข้าใจเขาบรรลุปเป็นพระโสดาบันได้มรรคเป็นพระอนาคามีก็เป็นสัจจญาคามีเป็นพระอรหันต์กกนนนนได้แต่า ก, การที่ฟังเทศฟังธรรมถ้าเขามีบารมีพอ แล้วไม่ว่าจะเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้ฟังร่างกายของมนุษย์ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นผู้รับรู้เป็นผู้ฟังเป็นเพียงเหมือ น, มโอโนไมโครโฟนไมโครโฟนที่เราพูดเข้าไปในเครื่องตัวไมโครโฟนมันไม่รู้เรื่องที่เสียงที่ผ่านเข้าไปในไมโครโฟนใจก็เหมือนกันใจเป็นผู้รับรู้แต่หูนี่ไม่รู้เรื่องหูเพียงแต่รับเสียงเข้าไปแล้วส่งเข้าไปที่ใจ ใจเป็นผู้ที่แปลความหมายของเสียงนั้นแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลพอเข้าใจอนิยสัจสี่พระก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสัิดาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ได้ตามลำดับไปอย่างพวกเรานี้สมมติถ้าตายไปแล้วยังไม่ได้บรรลุขั้นใดนี้ เนื่องจากบาลีหรืออันที่สองของการทำบุญให้ทางรักษาศีลขอเราเราก็จะไปเป็นเทพก่อนจงกลาจะมีมีมีมมครูบาอาจารย์ที่ท่านมีมีพลั ง, งจิตแล้วเราได้มีโอกาสได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านในขณะที่เราเป็นเทพแล้วเราก็อาจจะบรรลุเป็นสดาบันในขณะที่เราเป็นเทพไปก็ได้เพราะเราอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วเช่นตอนนี้เราได้มาฟังเทศฟังธรรมอยู่แล้ว แต่ยังไม่ยังไม่ถ่องแท้ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้พอพอได้ฟังอีกสักระยะหนึ่งก็อาจจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาได้เป็งขึ้นมาทันทีมีดวงตายที่ทำขึ้นมาทันทีท <c oughs> <c oughs> ่านจิตของเราไม่ตายนะสิ่งที่เรากลับเอาไวมันไม่หมดตันมันไม่เสื่เสืยมมันไม่หายไป บนกุศลต่างๆมันติ young, ่นไปกับจิตของเราความดีต่างๆใช่คเราถ้าเกิดเราเป็นคารวะเป็นผู้หญิงเนี้ยเราไม่มีโอกาสได้บวชเป็นอย่างพระสงฆ์นะคะเราจะมีจิตเหมือนกันม่เยได้เราบวเราบวทางใจเราก็ถือศีลทางใจเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายที่เราอยากจะถือศีลของพระพุทธสูตรนี้เราก็ถือได้ทอนเนี้ย แค่เปิดหนังสือดูว่าภิกษุนี้ก็ถึงเงข้อไหนบ้างเราก็ถึงต่างมเขาเราก็เป็นภิกษุนี้ทางใจวะแต่ทางทางกายทางคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราเป็นทางนั้นเองแต่เราเป็นภิกษุนี้ทางใจแล้ดีกว่าพระบางลูกเป็นภิกษุเป็นภิกษุทางกายแต่ทางใจนี้ศีลไม่มีทักขอไม่มีไม่ขีดข้อมันไม่ได้อยู่ที่กายของเรามันอยู่ที่ใจของเราทางศีลภาวานานี้อยู่ที่ใจของเรา ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายฉะั้นทุกคนมีสิทเท่ากันหมดในเรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจว่ามีบา ร, รมีแก่กล้าพอหรือไม่มีทางบา ร, รมีมีศีลบา ร, รมีมีปัญญาบา ร, รมีแก่กล้าพอหรือไม่ถ้ามีก็สามารถเป็นพระอริยบุคคล ข, ขั้นต่างๆได้ ที่พวกเรามาทําบุญกันมาทำเทศทำารรมกันก็เพืมาเสริมสร้างทานบารมีปัญญาบารมีแล้วถ้าเรากลับไปที่บ้านเราไปนั่งทำสมาธิเราก็สร้างสมาธิขึ้นมาถ้าเราทํางานในชีวิตประจําวั น, นเราเจริญสติอยู่เรื่อยเรืยเราก็จะมีสติที่จะคอยดึงใจให้เราเข้าสู่ความสมบุลได้เพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชได้ทุกคนทุกเวลา เียงแต่ว่าชีวิตของเรามันมันมีเรื่องมากมันทําให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ไม่เหมือนกับที่บวชจริงๆอย่างเช่นมาบวชเป็นพระนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีภาวะเกี่ยวกับการทํามาหากินนี่ต่างนี่ทั้งการทํามาหากินก็ง่ายเช้าก็ถือบาตรอุ้มบาตรก็ไปในหมู่บ้านก็ไดก็เสร็จหมดแต่ญาติเดียวไม่ต้องทํางานทั้งแปดชั่วโมงหรือยี่สิบหรือสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมง เพื่อที่จะหาะไรายได้มาทเจือเวลาก็หมดไปมากงนเวลาที่จะมาปฏิบัติแบบนักบวชมันก็เลยมีน้อยการว่าส่วนใหญ่จะทำได้แต่ขั้นต ข, ขั้นแรกก็คือทานยาก็สีก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนภาวนานี่ก็แทีจะไม่ก็ได้เลย มันก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> แต่ให้รู้ไว้ว่ามรรคผลนิพพานนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอยู่กับฐานะการเงินการทองจะรวยหรือจะจนไม่สำคัญอยู่ที่ว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้หรือไมถ่ถ้าปฏิบัติได้ก็บรรลุดได้ มั น, นพูดยาวนะวันนี้ดีนะมีคนมีคนมากระทุงให้เสอข้อคิดจะได้มีเรื่องพูดได้ สบายอใหได้เนว่าเอมมการที่รนั่มาธิอะค่ะปวดปจะแบปวดนั่งก็เล่อยปวดท่าไหร่แต่พอตอนนั่งเนี่ น, นั่งก็ปวดแต่ว่าปวดประมาสักปะมสี่ ส, สินทีทยยแล้แต่ละนว่งไปเรื่อยๆนกรทคกหนดแต่ว่าตอรทีนั่งเนี่ยมั น, มม น, น, นก็จะแบบว่าพอเราปวดา้าเนี่ยก็จะบอกว่าแล้วก็มองไปที่อ่าตีเพมันเป็นดินน้ำลมไบแล้วก็ัวดรอยย้อมันแบว่ามันจะปวดจะยังไงก็ต่อเมื่อมันเปดินน้ำลมไเสร็จแล้วมันก็ ไปแล้วมันก็จะนิ่งนิ่ง่งจนท่งถึงเวลาตอนนั้นเรายังไม่ได้กําหนดว่าเสิ่งเหล่านี้เป็นดินน้ำมูกไฟชอบที่ตัดทิงแต่ว่าเราหัวเรายามันมากมันเป็นดินน้ำมูกไฟเราจะไปกวดมันไม่ใช่มันเม่ใช่แค่พอเสร็จพอเรานิ่งนิ่งจนถึง64นาทีเนี่ยแล้วเราหลังจากนั้นน่ะ่อนที่จะออกนี่เราควรที่จะพิจารณาร่างกายเพียงใดคะคือการปฏิบัติต่อมปนั้นก็อยู่ที่เราว่าเราอยากจะปฏิบัติ นี้เราอยากจะพักบ่อยก็ขึ้นอยู่กับการู้สึกในตอนนั้นบาทีมันถ่านมายกยางงานมันก็อาจจะพักกินน้ำกินข้าอะไรต่อก็กบางินมันต่อได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึก็แล้วแต่นะแลแต่แลแต่แลแต่ชั้นท่วิริยะของเราก็แล้วกันถ้ามีชันทวิริยะมากก็อาจจะ ต่อไปเลยทั้คืนเลยก็วนาทั้งคืนเลยก็ได้แล้วเมื่อแล้วก็ลู้จะเดินต่อทิะกะกะอ น, นาต่อัเดินแล้วเมื่อก็จั บ, บไปล่างตไปชกื่อภาวามาอรอบนึงอแล้วยังไม่มั่นใจก็เอาีกรอบนึงรอบคบรอนนือเาอาําถ้ามันมั่นใจว่ารู้จักวิธีพิศณาทุ ก, กเวศนาแล้วไม่กลัวมันละ ต, ต่อไก็ไม่ต้องไปสู้กับมันก็ได้ เรดูแลแต่เรายังไม่รู้เลาจะเอาให้มันมั่นใจออไม่คิดว่ามันจะสู้เจ้าค่ะแต่ว่านี่ก็เป็นมาสักประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วมันก็จะปวดทุกครั้งนะแต่ว่าเราก็ผ่านมันทุกครั้งมาถึงว่าเจ้วมงกว่ากว่าหนึ่คือช่วงสี่สิบนาทีมันจะปวดแล้วพอเสร็งเมื่อพอเราเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มันก็ถึงหกสิบสี่จนได้อืแต่แบบก็คือถามว่าเราหลังจากที่เรานั่งแล้วมันจะนิ่งพอนิ่งพอเราเราปวดเราย่อมมาอยู่ว่าเราพี่นางเป็นดินน้ำลงไฟธาตสี่เนี่ย มันเป็นเป็นไม่ได้ที่มันจะมีอาการอย่างนีง้แล้วมันก็เหมือนกับมืนกัแล้วก็ไปเอาสิ่งที่เราได้รับเรียนรู้จ า, จากพระอาจารย์มาเพื่ออะไรถ้าจะเห็นด้วยปัญญามันต้องเห็นในวิยศาสตร์ต้เห็นว่ามีทุกสองสอ ง, สองส่วนทุกกายกับทุกใจทุกกายนี้เราห้ามก็ไม่ได้ส่วนทุกใจนี้เกิดจากความอยากของเราอยากให้ทุกกายหายไปและอยากจะหนีจากทุกกายไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเราเห็นว่าความทุกใจของเรานี่เราดับได้เพราะมันเกิดจากความอยากของเราเราก็ตัดความอยากมาพอตัดความอยากที่จะหนีจากทุกข์กายไปด้วยอยากได้ทุกข์กายให้ไปความทุกข์ภายในใจก็จะดับไปแล้วก็ความทุกข์ทางร่างกายก็จะเห็นว่ามันไม่เลยนมันไม่มีน้ำหนักเหมือนกับความทุกข์ทางใจถ้าจะเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นแบบนี้ แต่เห็นด้วยวิธีเห็นว่าร่างกายเป็นดินน้ำลงไฟก็ได้แล้วก็ปล่อยวางมังไปหรอมถ้าร่างกายมันเป็นเหมือนแผ่นทุกพื้นที่เรานั่งอยู่พื้นมันไม่เจ็บร่างกายมันจะไปเจ็บได้ยังไงถ้ามันจะเจ็บมันก็เรื่องของมันเราก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันเจ็บไปแต่เราอย่าไปอยากให้มันหายไปหรืออยากจะหนีจากมันไปคือเราต้องเห็นตัวนี้เห็นตัวสมุทัยเห็นว่าตัวนี้กําลังสร้างความทุกข์ารรมวาจให้กําเรา เราดับตัวนี้ต่างหากแต่ตัวทุกทางร่างกายนี่มันจะดับหรือไม่ดับมันเรื่องของมันเน่แต่บางทีเรานั่งแล้วเรารู้สึกเรากระตุกเพราะว่าเรารู้สึกเราเจ็บแต่ว่าเราเรารู้สึกใจเราไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความเจ็บคือหมายถึงว่าเรารู้ว่าเจ็บแล้วก็กระตุกแต่ว่าตัวใจเราเรู้รู้ว่าใจเรานิ่งคือเราไม่รู้สึกว่าไอ้ไอ้สิ่งตัวนี้มันทําให้ใจเราเจ็บได้เแ๋ยวแล้วเราแล้วเราควรจะทำะท ย, ยังไงแล้วกันมือคือเราเป็นเพราะว่าเราไปดูมันหรือยังไงเ่รอคะ มันถึงกระตุกตบพงทีมัน อ, อ๋อมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติมันก็เป็นผลข้างเคียงเป็นไม่สำคัญให้เราเห็นอริยาาสัจสี่ให้ได้เห็นทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราและทุกข์ใจกังเราดับไปเพราะเราดับความอยากความอยากที่จะอยากให้ทุกกายหายไปถ้าเห็นตรง น, นี้ถ้าเห็นตรง น, นี้แล้วก็จะเป็นปัญญา ต่อไปทุกครั้งที่ร่างกายเจ็บใ จ, จก็จะไม่เจ็บเพราะใจไม่มีความอยากที่จะให้มันหายเจ็บ ม, มันเจ็บก็เจ็บไปหนูคิดว่าการนั่งปวดอย่างา 2, เงีเ้ยนักงสองสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแสดงว่านี่เราก็คือรู้สึกว่าความทุกข์กายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติกของใจได้แล้วง่ายๆด้วยค่ะโดยตราบใดที่ใจของเรารับมันได้เนี่ยไม่กลัวมันก็ใช้ได้เวลาต่อไปเกิดเจ็บ ตรงนั้นปวดตนี้ก็ไม่ต้องหายาทาให้เสียเวลายาทาไม่ส่วนใหญ่มันทาเพื่อใจมากกว่าทาเพื่อกายพอทาแล้วใจสบายไมียาทาจ ะ, จะหายไม่หายได้ตลอดใจสบายแล้วจริง ม, มันเป็นยาข้างนอกมันต้องเอายาข้างในก็อเอาธรรมะโอสถเลยต้องเอามรรคเข้ามาเป็นยาว่ามันเป็นความเจ็บที่เราไปควบคุมบรรทัพไม่ได้ มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บอย่าไปกลัวมันอย่าอยากอยา ก, อยากจะหนี้จากมันมแล้วความทุกข์ทรงา น, นใจก็จะไม่เกิดขึ้นให้เห็นตรงนี้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็ก็จะปล่อยวางเรท้งนาได้จะสุขจะทุกข์ก็เหมือนกันสุขก็จะไม่อยากให้มันสุขไปตลอดมันสุขตรงนี้ก็ปล่อยมันสุขไปเดี๋ยวมันเสื่อมหายไปก็ปล่อยมันเสื่อมหายไปจะไม่ไปหามาเติม แค่บางทีเรายังเติมใช่ไหมเรามีความสุขจากดูหนังเรื่องนี้เดี๋ยวต้องดูอีกเรื่องหนึ่งเติมมันซะหน่อยเนี่ยแสดงว่าเรามีความอยากอยากให้มีความสุขแบบนั้นอีกแต่ถ้าเราดูแบบแบบไม่มีความอยากดูก็ดูไปสุขก็สุขไปพอจบก็จบไปพอความสุขหายไปก็หายไปใจไม่ไปขวนขวายไม่ไปกระสันหาความสุขแบบนั้นรู้ว่ามันมาว่ามันไป ตามเหตุตามปัจจัยของนีนไม่ยึดไม่ติดไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจที่มันมีใจแต่ถ้าเกิดความอยากมันก็อดไม่ได้ต้องไปหามาดูเรื่องมันเพื่จะได้มีความสุขใจนั้นอีก่แหละนี่คือการปฏิบัติทั้งหมดนี้ไม่ว่ากับร่างกายหลืกับเวทนาก็เพื่อที่จะให้เห็นอริยสัจสิการ ม, มีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นอริยสัจสิ เห็นว่าทุกเกิดจากใจเกิดจากความอยากในใจทุกในใจเกิดจากความอยากในใจส่วนทุกกายก็เกิดจากการไม่เป็นปกติของร่างกายซึ่งเป็นเรื่องที่เราไปบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาต้องเห็นแบบนี้ใช่ไหมเห็นทุกเลยอันนริยังทุกขังอนัตตาแต่ไม่อริยังเกิดจากความเจ็บที่ร่างกายนั้นมันมาแล้วก็ไปมันเป็นอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้เห็นทุกก็เห็นทุกที่ใจเรา ที่ใจเราไปทุกข์กับมันอยากจะให้มั น, <ว> น, นหายถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะเห็นครบทั้งทั้งสามส่วนเห็นใจแนละ้วส่วนที่สองคัอได้สุดก็เห็นทุกข์ในใจนะ้ว <c oughs> อันนี้แหละเป็นอริยะัเป็นดวงตาเห็นธรรมเป็นปัญญาอเคขอบพระคุณ้าค่ือวานนี้เกิดเกิดตูนพุทธประบัติดูเลยนะคะดูตอนภาที่พระเจ้าเสด็จออกจากพระคันของพระมารดาแล้วเดินมาเจ็ดเก้าแล้วชี้ดูขบนบอกว่าเราเป็น ผู้ที่จะไมกลับมาเกิดอีกแล้วในโลกแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเราจะเป็นชาติสุดท้ายของเรารู้สึกผลหัวลุกสู้อะไรนี้นกระจัดกะจายภายนอกภายนีน่นกระจัด น, น, นี้เกิดจากภายในสิเพราะว่าใจเป็นผู้รักดูใจเป็นผู้รักเนี่ยมันจะกระทบกับส่วนใดส่วนงของใจที่แบบพาดจิตขึ้นมาหือมันอาจจะเป็นการเสริมศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วให้มีความ มันมันของมากขึ้นแต่ถ้าเาเกิดความติดแต่ความสุดขึ้นมาใครดูไปคนลุกขนพองตลอดเลยอาจารย์ฮักชาติพวกเราเกิดเป็นเทพมิ้าอาจารย์จะไม่ตาตามไปสอนเหมือนกับถูกเปรียบเลยค่ะตรงกันเลยค่ะขนาดเป็นมนุษย์ยังไม่ตามเลย เธอก็ไม่จับโทรมือถือต้องต้องปิดเครื่องทั้งสองเครื่องแล้วต้องต้องกดเบอร์ที่เราต้องการจะติดต่อให้ได้ติดตาอกันได้ในความเป็นเทพของท่านน่าจะมุพระองค์เลยเกือบดีก็ไปฟัางนี้ม่ได้ไหมได้แถ้าทํานไม่เปิดเครื่องท่านนี้ก็ถ้าท่านไม่เข้าฌานเข้าสมาธิท่านไม่ออกไปรลับษณ์ก็พระองค์ไม่มีความสามารถทางด้านนี้ทางด้านนี้มีน้อยท่ว่ามีประมาณห้าเปเซ็นต์เท่านั้นงพระที่พระที่มีอพระอะไรทั้งหมดที่ ปัญญาเนี่ยจะมีน้อยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพระเท่าที่ได้ยินพระพระอะไรพระสาวรีบุตก็ไม่มีมีแต่พระมโนกราพระมวกราท่านมีฤทธิ์แต่พระสาวรีบุตนี่ท่านไม่มีฤู้ธิ์แต่ท่านมีปัญญาถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็สอนได้เต็มที่สอนได้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นเทพในกาจะต้องไปติดตามกับพระมโนกรา คนละแผนใช่ถ้าก็สามารถดูจิตใจของท่านได้เพราะเราติดตามดูจิตใจนะเพื่อร่างกายของเราตัวเรานี่มีสองส่วนเราเห็นส่วนเดียวเราเห็นร่างกายของเราเราไม่เห็นใจของเราแต่พวกผีพวกเทพนี่ก็เห็นใจของเราเขาอาจจะไม่เห็นร่างกายของเราแต่ว่าเห็นใจเพราะเขาใจมันอยู่อีกมิติหนึ่ง ร่างกายอยู่มิติเท่เพราอยู่มิติของจิตเขาก็จะเห็นจิตแต่เขาจะไม่เห็นร่างกายเราตรงนี้เขาไม่ไปทูนลักพัฒนาขอที่เทศไม่ได้ก็เพระดีจิตนั้นเขาไม่เปิดเครื่องเขาไม่เขาไม่แสดงธรรมเขาไม่รับรู้เขาไม่รับรู้อย่างนี้เพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับกับผู้ที่ผู้กายทิฏฐายได้ ใช่เพราะเรื่องนี้มันเกิดจากการทำสมาธิไม่ใช่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาอาจจะในอดีตชาติมีอาจารย์ที่สอนทางด้านนี้แล้วเราไปเรียนกับเขาว่าวิธีที่จะทำจิตให้ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนี้ทำยังไงมันต้องมีวิธีถึงจะออกไปได้เหมือนีีกุญแจเปิดประตู สมาธินี้เป็นเหมือนบ้านนะก็ไปอยู่ในบ้านนี้แล้วถ้าเราอยากจะออกไปข้างนอกบ้านนี้เราต้องมีกุญแจเปิดออกไปทีการไม่ใช่เป็นประตูที่เราเข้ามาจากจากจิตที่เป็นปกติแต่เป็นประตูที่จะออกไปสู่รับรู้สิ่งที่ที่เป็นกายคิศทางเป็นของทิศทั้งหอันนี้ก็จะต้องเป็นเป็นศาตร์อย่าง มัน ม, มีเหตุการณ์าอย่างที่เกิดขึ้นกับโยงนะคะอย่างเช่นที่เรานั่งรับไปเนี่ยใจเราให้รู้จากตรงนี้เดี๋ยวนี้แล้วในยุคนั้นโต๊รถชนตรนั้นพอดีค่ะนี้อยากรู้อันนี้เกิดจากความบันดาลหรืว่าเกิดจากจิตที่มันอั น, นี้เกิดขึ้นมาอีกไม่รู้นะจ๊ะจกิดยังไงก็ช่มนน <S <S แล้วก็รู้ว่ามันเกิดกกถ้าตัวเราเองไม่รู้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงไถ้าเรามีประสบการณ์คล้ายกันแล้วก็จะบอกได้แต่เราไม่มีประสบการณ์งั้น แต่เรามีประสกอคล้ายๆกันแต่ว่าเมื่อทีเราคิดถึงเรื่องอะไรนี่มันมักจะเกิดขึ้นมาอยู่เลยแดงอยู่ตรงนี้นะเช่นถ้าเราไม่เห็ว่าขาดแคลน้องการอะไรนี่เดี๋ยวมันแม่นางมันจะมาเดี๋ยวนรอทนเดี้รอานี่อาจจะเป็นเทพได้ได้ได้ฟังข่าวแล้วก็จะส่งข่าวให้เข้าฝันให้คุณนี่้นเลย เราถึงเวลามันก็มาเองเดี๋ยวนสมัยที่เราขึ้นมาอยู่ใหม่ใหม่วงขางนี้ทางงานนี่ไม่ค่อดีเราก็คิดว่าต้องหาทงงานมาเแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาถวายกันเต็มเลยทางเดินเมื่อก่อนนี้ไม่เป็นทางปูนมันเป็นทางดินเราก็คิดจะทำเดี๋ยวก็มีคนมาม า, ม า, ม, ามาเสนอตัว ก็ต้องการลายท้าต้องกา ร, น, าการนั่นก็น <c oughs> ลงนี้เถอะแต่พอไม่คิด <c oughs> พอไม่คิดจะทาเนนานเลยไม่เคยมาเลยเพอทำเสร็จแล้วไม่เคยมาเลยแทงทางาไม่ามีมาเพิ่อทางเดิมไม่มีใครมาทำอะไรเพื่มเลยเมื่อไหรท่า น, นจะคิดทํากุติีคะพอนั่งนั่งสมาธิไป แ, แล้วกันที่ว่าเหมีอนกบเรานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวดของรางกายขึ้นมาแล้วก็ พยายามทําใจให้ให้สงบให้เรียบอย่าไปยุ่งกับมันมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของยาของหัวก็าไปมีหน้าที่กินยาก็กินไปมีหน้าที่ไปหาหมอก็หาไปแต่ส่วนใจของเราเราก็ภาวนาไป อ, อพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเหมือนเป็นไดมน้มันไม่เที่ยง ม, มันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้ แต่เราไปบงังเราไปควบุมบังคับมันไม่ได้มันจะหายเมื่อไหร่จะหายช้าหายเร็วนี่มันก็เป็นเป็นเรื่องของมันใจของเราอย่าไปว่าวุ่นขุ่นวัวกับมันนะเข้าใจนะพยายามเจริญสติเจริญปัญญาให้มากๆทำจิตให้สงบนะอย่าไปกัวงวลกับมันเรื่องของเรื่องของร่างกายนี่ตอนนี้ก็ต้องป่อนให้เป็นหน้าที่ของยากับของหมอไป ส่วนเรื่องของใจเราก็ต้องใช้การภาวนาเป็นธรรมโอาษจนัศใจไม่ให้ทุกข์ไปกับความทุกข์ของร่างกายแล้วเราจะมีความสุขท่ามกางความเจ็บไข้ได้ปุ๋นของจิตใจของร่างกายเพราะเราไม่ต้องทำอะไรมีคนทําให้เราทุก อ, อย่าง <c oughs> มีคนป้อนอาหารให้มีคนเอาน้ำมาให้ด่มมีคนเช็ดเลืเช็ดตัวให้เราบริการให้ทุก อ, อย่างใช่ไหม ดีไหมดีนะเจ็บเจ็บ <c oughs> แล้วก็มีความสุขสบายถ้มองอย่างนี้เราจะไม่ไม่ทุกข์แะแต่ถ้าอยากจะให้หายอยากจะ ห, หายเร็วๆอยากจะไป ท, ทำนู่นทำนี่มันก็จะทุกข์ทรมาร์ดจังเพราะมันทําไม่ได้นะ <c oughs> วันนี้ก็พูดเรื่องนี้เมื่อกี้เทศธัญญาอ ย, ย, ยู่ว่าพูดเร <c oughs> ื่องเรื่องความเจ็บไข้เนียส่วนความเจ็บทางร่างกายเนี่ยเราต้องปล่อยวางมันนะ <c oughs> โอเคนะ หายหายเร็วนะเองคำนี้ขอท้าฉันเมตตาอธิบายคำว่าปัจเจรพระพุทธเจ้าคือปัิเจริพระุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วแต่ไม่ประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้ท่านไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถทำได้ คือท่านอาจจะไม่มีความสามารถในการสาธยายแสดงธรรมที่ทำรู้ในใจของท่านให้แก่ผู้อื่นได้หรือท่านอยู่ในภาวะของโลกที่ไม่มีใครสนใจเรื่องศีลธรรมสอนไปก็ป่าประอยู่ไม่มีใครรับฟังอย่างนี้ท่านก็จะไม่สอนอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านในระยะที่ท่านทรงตัดสรู้เสร็จในมันท่านก็มีความรู้สึกไม่อยากจะสอนเหมือนกันเพราะท่านทรงเห็นว่าคําสอนที่จะสอนให้กับคน นี่รู้สึกว่าจะมีคนสนใจน้อยหรือว่าไม่มีเลยเนยะรุ่ยากสําหรับครังที่เขาจะปฏิบัติตามได้ท่านก็คิดอย่างนั้นสั้นๆในเบื้องต้นแต่ต่อมาก็ทรงใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูก็ทรงเห็นว่าคนนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันพวกที่มีสติปัญญาสูงก็มีพวกที่มีน้อยก็มีท่านก็ทรงแบ่งไว้เป็นสี่ระดับด้วยกันแล้วก็อะไรเกิดมีความ ฉันทาวิริยะที่จะสงเคราะห์โลกเพราะด้วยความสงสารเห็นว่ายังมีผู้ที่พอที่จะรับคำสอนได้<ม>เนื่องจากมีพระถ้ามหาพรมได้มาขออาราธนาให้ได้ส่งโปรดสังส่งสอนแก่สามโลก<ม>พระ ก, ก็เลยส่งตัดสินพระทัยที่จะไปโปรดไปสั่งสอนก็เลยเลือกคนที่จะสามารถรับคำสอนนี้ได้อย่างรวดเร็วก่อน ก็คือนักบวชเช่นพระปัญจวคีร์ทั้งห้ามมุ่งไปตรงนั้นก่อนพอสอนครั้งแรกก็ได้ป่าตัวหนึ่งละบรรลุได้พระโสดาบันรุ่มหนึ่งละพอสอนครั้งที่สามครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้พระอรหันต์ห้า ร, าารูปละยอดพอสอนตปอีกไม่นานก็ได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเกิแล้วการสายพระอรหันต์นี้ช่วยทําหน้าที่แทนต่อท่านเองพูดจึงมีผู้บรรลุปเป็นจํานวนมาก ตามระเบียบมาซึ่งปัจเจกพระพทเจ้ธธ า, านี่มีมีมากนีมคะบไม่ไม่มีปรากฏในในในพระพระไตรปิฎกก็มีตามเหตุตามปัจเจกมาแล้วกัน ซ, ซึ่งเราเขไม่ทราบว่าท่านเป็นปัจเจกหรืไม่บ้างเราก็ไม่มีใครใรูอ้อาจจะรู้เฉพาะบางคนบางกลุ่มเช่นเทพพรมอะไรพวกนี้ก็อาจจะรับรู้ก็ได้แต่มนุษย์นี่อาจจะไม่รู้ก็ได้ ที่ต้องสงสัยคือในในปัจจุบันนี้อาจจะมีบ้างก็ได้ไม่ได้แหละถ้าถ้าจะมีพระประจวการนี้ต้องอยู่ในในสภาพที่ไมู่ีพระพุทธศาสนาคือท่านท่องตัดจะเลื่ด้วยตัวของท่านเองแต่ถ้าที่ไหนมีพระพุทธศาสนาเพราะนั้นถ้าบรรลุก็จะเป็นพระอรหันต์นั่นเอเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกก็คือเป็นผู้ที่อาศัยคําสอนคํารู้ของพระพุทธเจ้ามามาปฏิบัติ แต่ถ้าสมมติเข้าไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีคําสอนอยู่เลยแล้วเขาสามารถปฏิบัติเห็นพระอริยสัจจินขึ้นมาได้บรรลเป็นพระอรหันต์ได้เขาก็เป็นพระพุทธเจ้าเขาเป็นพระ พ, พุทธเจ้าได้เหมือนกันก็คือด้วยตัวเขาเองอเด้วยตัวเขาเองถ้าไม่มีคําสอนเลยเขาสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเขาเองก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะนิยามของคำว่าพระพุทธเจ้าคือตัดเจรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าคนอื่นมา ม า, มาสัง่งมาสนเราจะสอนหรือไม่ก็ถ้าสอนก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ัณมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่สอนก็เรียกว่าเป็นพระปฏิจจคัปุทธเจ้าวันนี้ได้ความรู้กันหลากหลายนะเวลาสมควรเวลาให้พร